บทที่สองอัลบากอรอหภาคที่นี้ณนั่งบทอัลบากอรอบทอัลบาคอร อ, อรเป็นบทมาดามิยะมีสองร้อยปดสบหกองค์การถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านอับดุลโมมัสซัลลัลฮฺวะไลยุสัลสลัมได้อพยพไปอยู่ที่นครมดินาแล้วเป็นบทที่ยาวที่สุดของอัลกุรอานในบทนี้มีสาระที่สําคัญพอสรุปได้ดังนี้เรื่องอกีดะ หลักศรัทธาเชื่อมัน่นการให้เอกภาพต่อละเรื่องอิบาดะเช่นการละหมาดการถือสิโลตการบริจาคหลการและการประกอบพิธีฮัจเรื่องสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันเรื่องจรยิยธรรมและมัญญาาต่างๆที่ควรปฏิบัติเรื่องการแต่งงานการอย่าร้าง และการเก็บตัวหลังจากการยาในบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมนุษย์โดยได้จำแนกออกเป็นสามประเภทกล่าวคือประเภทที่หนึ่งมุกมินีคือผู้สถาต่ออัลลอฮ์พระผูเ้เป็นเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งชายของพระองค์และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามบทที่สองกาฟิรีผู้ปฏิเสธสถา บทที่สามมูนาฟิกซึ่งอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมายด้วยกันเช่นพวกหน้าวายหลังหลอกพวกปลักรอกหรือพวกช่อฉนเป็นต้นมนุษย์ทั้งสามประเภทมีนั้นได้ถูกบ่มบอกให้ทราบถึงแก่นแท้ของแต่ละกลุ่มแล้วในที่สุดเราก็ทราบว่ากลุ่มไหนเป็นคนดีและกลุ่มไหนเป็นคนไม่ดี ต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึงการบังเกิดมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะไลฮิสลัมและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาดัมต่อจากนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวคำภีหรือที่เรียกเป็นภาษาอารับว่าอัลลุกิตาโดวยกว่าอย่างยิ่ระวังวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือวันโลกาทีนหาหวันสิ้นโลกโดยพระองค์ได้เรียกร้องให้ทุกคนกระทำความดี เมื่อทำผิดไปแล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ตอพระองค์เสียด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัอลีลลาม คำพิน้ไม่มีความสงสัยใดๆนั้ น, น, นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลายคือบรรดผู้ที่รัาต่อสิ่งีล้รับและปฏิบัติลมาม และส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาค ล, ล, ล, ล, ล, ละบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้ามุฮัมมัดและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้า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 a l ะทของละหูงพวกเขาาของพเขาก็ิดบั้ลโทอางม a ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและที่หูของพวกเขาและที่ตาของพวกเขาก็มีสิ่งปิดบังอยู่และเท่าเหล่านั้นจะรับการลงโทษอย่างมหา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 ل ل وا, ن ن และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงอยากก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงนั้นพวกเราเป็นผู้ปรับปรุงให้ดีต่างหาก เพิ่งทราบเถอดว่าแท้จริงพวกเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ก่อความเสียหายแต่ทว่าพวกเขาไม่รู้สึก และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงศรัทธาเยี่ยนผู้คนที่เขาศรัทธากันเถอะพวกเขาก็กล่าวว่าใจศรัทธาเยี่ยน ผู้ฉวดเขาเหล่านั้นศรัทธากันกระนั้นนึกพึงทราบเถิดว่าพวกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ชวดเขาแต่พวกเขาหารู้ไม่าาอาอาาอดลลกนนมมู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 ถ้าจริงเราเพียงแต่เป็นผู้เยอะหยันเท่านั้นอัลลอฮจะทรงเยอะหยันพวกเขาและจะทรงยืดเวลาให้พวกเขาจมปลักอยู่ในการและเมื่อตอบ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 ثلهم ثل اللذي فلما حوله الله ذهب بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم ما ك استوقض نارا في أضاءت يبصرون ظلمات อุปมาพวกเขานั้นดังอุปมาไผู้ที่จุดไฟขึ้น ครั้นเมื่อไฟได้แสงสว่างแก่สิ่งที่อยู่รอบๆเขาแล้วอลลอฮฺก็จะได้นําเอาแสงสว่างของพวกเขาไปและปล่อยพวกเขานั้นอยู่ในความมืดซึ่งพวกเขาไม่สามารถจะมองเห็นไดุุ้ ม, มนบคนเขาเหล่านั้นเป็นคนหูหนวกเป็นใบและตาบอด وأنه ي ดั ل و ن ้ ص ا ب ع ه م في ึ ذ ا ن ه م من الصواعق ح ก ر الموت والله محيط بالكافرين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 สายฟ้าแลกแทบจะเฉียวสายตาของพวกเขาไปคราใดที่มันให้แสงสว่างแก่พวกเขาพวกเขาก็จะเดินไปในแสงสว่างนั้นและเมื่อมันมืดลงแก่พวกเขาพวกเขาก็หยุดหยืดและหากอาัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ทรงนำเอาหูและตาของพวกเขาไปแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเคารพพัก ด, ดีพระผู้พิบาลของพวกเจ้าทีทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะยังเกรง الذي جعل لكم الأرض ف ر ا ش ا والسماء ب ن ا ء وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 وَإِن ك ُ ن ت ُ م ْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا ب ِ س ُ و ر َ ة ٍ مِمْ مِثْلِهِ فَأَتُوا ب ِ س ُ و ر َ ة ٍ مِمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن ك ُ ن ت ُ م ْ صَادِقِينَ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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ج ّ ا ت ٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها และเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับสวนสวนรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ท่านใต้นั้นคลาใดที่พวกเขาได้รับผลไม้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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أ َ ي يَضْرِبَ مَثَلَمَا بَعُوضَ فَمَا تَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ر َ ب ِّ ه ِ م ْ َأَمَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ كَثِيرًا أَرَادَ مَادَا اللَّهُ بِهَادَا بِهِي وَيَهْدِي بِهِي يُضِلُّ يُضِلُّ Patty อลลอฮจะไม่ทรงละอายในการที่จะยกอุทาหรนใดๆขึ้นเปรียบเทียบ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 และทรงชี้นำทางที่ถูกต้องแก่คนมากมายด้วยอุทาหรณ์นั้นและพระองค์จะไม่ทรงให้ใครหลงผิดด้วยอุทาหรณ์นั้นนอกจากคนชั่วเท่านั้น ي ي و و คือบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลละ์หลังจากที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และตัดสิ่งที่อัลลอส์ทรงใช้ให้ต่อและทำความเสื่อมเสียหน้า ผืนแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพวกที่ขับลิะถุนอยยคุุมมมมีีลนพวกเจ้าจะปฏิเสธสภาต่อ Allah ได้อย่างไร ท, งทั้งที่พวกเจ้าเคยปราศจากชีวิตมาก่อน แล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตขึ้นในโลกนี้ภายหลังก็ทรงให้พวกเจ้าตายแล้วก็ทรงให้พวกเจ้านั้นเกิดขึ้นมาอีกในปรโลกแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปสู่พลละระองค์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 وَإِبْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خ َ ا ل ِ ي ف َ ة ٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُبْسِدُ فِيهَا و َ ي َ س ْ ت ِ ك ُ س ِ د ْ مَا وَنَحْنُ ن ُ س َ ب ِّ ح ُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ ن ُ سَبْحُ ِ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي อและจงดําลึกถึงขณะที่พระผู้บานของเจ้าได้ตรัสแกมาลายกาว่าแท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งบนแผ่นดินมาลายกาดูทูลขิ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีผู้บ่นทําลายและข้อการนองเลือดขึ้นบนแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งทั้งที่พวกเราให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่าน และเธอทูนความบริสุทิ์แก่พร่งท่านพรง่งตรักว่าแท้จริงข่ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ว่าอัลลมอาดมลัสม اء คุลหาคุม น, น่อรัฐฮมอลัลมาลาอิค่ะกาลอันบิอูนีบิอสมอ า, อาอิหาอุลอ ء อินคุณ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 قدم آباه بأسمائهم، فلما آباه بأسمائهم قال: قال ألم أ ق ُ ل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض؟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 แท้จริงข้าทรงรู้ดียิ่งถึงความเล่นลับแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้ดียิ่งในสิงส่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดไว้ว่าอิบลลัลีลมลาลัยก์ทสจุดูลีอาดมฟาสจดูอิลลัยบลิสอบาวอสตักบรัรว่า كان من ا ل ك ا ف ر ي และจงนำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลัยต้าว่าพวกเจ้าจงสุยูดแก่อดัมเถอะแล้วพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอินลิสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหันในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป เราได้กล่าวว่าโอ้อดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์ น, นั้นเถอะ และเจ้าทั้งสองทรงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อรธมแก่ตัวเองแต่อาซลลัลลฮุมอัลชัยตานอัลฮฟาอัครจฮมามิมมาคานาฟีวะคุลเนฮบิตูบัลดุคุมลิบัาตูมะดู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 และสำหรับพวกเจ้าในผืนแผดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งเอเมยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานและอาดัมก็ได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขาและโพรง ก, ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขา ่านจริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสมุทล้วนับถือมิหนาจม م ي าฟ้าอินม ت เยสีนักุมมิหุดาฟ้ามันจะไปหุดาฟได้ลล้ิ์ได้กล่าวว่า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 يابني إسرائيل يا ววจงรู้รนิมิติที่อันงามานแก่พวกเจ้า และจงรักษาสัญญาของข่าให้กรบควนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้กรบควนและเฉพาะข่าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรดูว่าอามินูบิมาอัน ز ลทุม ص ดิกันลิมามาคุมวลา تكون อัววลกาฟิรินบิฮ ت ت ي ي ي และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงยาเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อย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 และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระอากาและจงรูขพวะร่วมกับผู้ ร, รูข่วะทั้งหลาย أ พวกเจ้าใช้ผู้คนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระ น, นั้นนึกทั้งทั้งที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกพวกเจ้าจองอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด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 ยเนี๊ยอิสราเอลจตอังลยมอววานอิสราเอลจงดำลึกถึงความโปรดปารานของข้าที่ข้าได้โปรดปารานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไวเ้เหนือประชาชาิทั้งหลาย และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแต่ชีวิตหนึ่งด้านและการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น และค่าไทถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลนอ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 และในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อธิบาลของพวกเจ้าจงรำลึกถึงขนาดที่เราได้แยกทะเลออกพระพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากวิรุ และได้ให้ฟรโรนั้นชมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่ล ت ت และจงรำลึกถึงขนาดที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้สี่สิบือนแล้วเจ้าได้ยึดเอารูปวัวตัวนั้นเป็นที่คารสกา หลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อาถรรพ์แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณวกดอัยาลังจากัอะ และจงดำลึกถึงขนาดที่เราได้ประทานคำภีและข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะรับทานนำที่ถูกต้อง อนสกและชงดำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกเจ้าได้อาทธทรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้น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 َظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ وَأَنْزَلْنَا และเราได้ให an ้ก้อนเมฆบดบางพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อันมันนะ และอัชันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองกเท่ า, ใ น, ใ า, น, านั้น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 และจงเข้าประตูนั้นในสภาพพุ่นน้อมศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิดด์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะเอภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย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 َإِبِسْتَسْقَا نَضْرِبِّ شْرَبَهُمْ وَشْرَبُوا مُوسَالِ أُنَاسِمَّ فَانْفَجَرَتْ هُتْنَتَاعَشْرَتْ قَوْمِهِ عَصَاكَ الْحَجَرِ مِنْ عَلِمَ ُلُوا فَقُلْ كُلُّ ه عَيْنَا مِنْ قَدْ رِزْقِ และจงดำเนินถึงขณะที่มูซาได้ขอนน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขา แล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำสิบสองตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของคนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีพของออโ์เช่และจงอย่าก่อกวนบนผันดินโดยเป็นผู้บวนทำลาย و َ إ ِ ذ ق ُ ل ْ ت ُ م يَا مُوسَى لَا نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ف َ ا د ْ ع ُ لَنَا رَبَّكَ ف َ د ْ ع ُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا م ِ ن م َ ا ت ُ و ب ِ ا ل أ َ ر ْ ض ِ مِنْ ب َ ق ْ ل ِ ه َ ا وَقِطْفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا و َ ب َ ص َ ل ِ ه َ ا قال أتستبدلون الذي هو أ ج ن ا بالذي هو خير إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علي مذلة والمسكنه وباو ء بغضب من الله ب ب و و และจงดำลึกถึงขนาดที่พวกเจ้ากล่าวว่าอูมูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ ดังนั้นท่านจงวิงวอนตอพระผู้บานของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะส่งให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเหนือขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นนั้กพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมือง ใบตุลมักลิสเผยแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอภยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความขี้โกรธจากอโลตกลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอโลและยังสังหารบรรดา ศ, าศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรม ดังกล่าวนั้นก็ด้วยความดื้อดังของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขตอินัลเดีนัอาเมลุวลดียนัฮะดุวะนนซาวซับอนวะซับิอินมันอามละบิลลาฮิวะลยูมิลอัลิรวะมิลลซาลิฮา แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและบรรดาผู้ที่กราบไหว้เจวันนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่อร้อนและวันปรโลกและกระทําความดีแล้วพวกเขาก็จะรับรางวัลณผู้อภิบาลของพวกเขา โดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียจะอนมุมะเนาัุตูขดมานาควยวและมาฟีลัลกุจตองน้าจงนำลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้า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 แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผิดหลังให้หากอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขับและแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิดจับสัตว์น้ำในวันเสาร์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 ت ت และจงดำลึกถึงขนาดที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแท้จริง อลัลลอฮ์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าให้เชืยร์วัวตัวเมียตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่าท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญาอลในใ น, ลนิาาิ พวกเขากล่าวว่าโปรดรีวอนตอพระผู้บาญของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะส่งแจ้งให้พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรมูซากล่าวว่าถ้าจริงพระองค์ตรัสว่า มันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาวแต่มีอายุถึ่งกลางระหว่างนั้นพวกเจ้าจงปฏิบตัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้ถือพวกเขากล่าวว่า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 ก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้องขอินนุย์กูนอิْน์สมาคูซากล่าวว่าแท้จริงพระองตรัสว่า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 อลลมมและจงนัานึกถึงขนาดที่พวกเจ้าฆ่าคนเด่กและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นอลลอฮฺจะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้ตตนรนิบบบ คดังนั้นเาจะก่าตายท้งไว้ใ่เาจะถกฆตายและจ้งว้เาจะถกฆ่าตายและจ้งไว้ใ่่าพวกเ่้าจะ้งวในีเขาจะถก่าตไ ว, ว้ในที่ทากาจงนั้นแลีลเขาะอัลาละจะถูทงใว้ในทู้ตาย ม, มาลจะทิงไ้นีีขาูาตายและจะทิ้งไว้นทเาจ้าเห็และจะทง้นสัญญเาจต่างๆของะรู่ <تصفيق> ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر ا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้านเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้านยิ่งกว่าแล่แท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาผ่านน้ำปวยพุ่งออกมา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 พวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นเถิดทั้งทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดั่มดันของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้ว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 อะทัดิษูนะฮุมบิมาฟัตหัลลอฮุอะลัยกุมลิฮัจญูกุมบิฮิอัยดะรบบิคุมอะเมื่อพวกเข้าได้พบกับบรรดาผูา้ศัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้สักธาแล้วและเมื่อบางคนในหมู่พวกเค้าอยู่ตามลำพังกับอีกคนพวกหนึ่งเขาก็กล่าวว่า พวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเจ้าหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นด้วพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหนึ่งและพวกเขาไม่รู้ว่า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 ت ت ความวิบัติจะประสบแก่บรรดาผู้ที่เขียนคำพีขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวอ้างว่านี่แหละมาจากอัลลอะ์เพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยดังนั้นความวิบัติจึงประสบแก่พวกเขา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 พวกเขากล่าวว่าไฟนรกนั้นจะไม่เผาผลาญพวกเราเลยนอกจากบรรดา ว, วันที่ถูกนับได้เท่านั้นมุฮัมมัดจงกล่าวเถอะว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาคำมั่นสัญญาณที่อัลลอ์กระนั้นหนึ่งโดยที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาด หรือว่าพวกเจ้าอุปโลกความเท็จให้แก่อลในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดันคอบ่อะาีอะหลาอัศนาริมเาช่นนั้นไมมผู้ใดที่แสวงหาความชั่วและความผิด ของเขาก็เด้นล้อมเขาไว้ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลและบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละ คือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล <Jonas S 1> ة, และจงระลึกถึงขนาะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากับวงวานอิสราเอว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เครพสการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอฮเท่านั้น และจงทําดีต่อบิดามารดาญาติใกล้ชิตเด็กกําพร้าและผู้ขาดสมและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระพิากาศแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายดีนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้ และจงดำลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาแก่พวกเจ้าว่าพวกเจ้าจะต้องไม่ลังเลือดของพวกเจ้า และจะต้องไม่ขับไล่พวกเจ้าเองออกจากหมู่บ้านของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยันอยู่ทุ่มันทุมฮาอุลาอิทักรุลูนอันฟุสะคุมวะาทุ่มรุูนทรีกา وتخرجون ف ر ي ق ا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وإيئتكم و أ س ر ا ت فادوهم وهو م ح ر م عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب و ت ف ر و ن ببعض َمَاْ مَنْ مِنْ كُمْ وَيَوْمَ جَزَاعُ ذَالِكَ الْقِيَانَةِ يَفْعَلُ أَشَد्ّ ภายหลังพวกเจ้านี่แหละค่าตัวของพวกเจ้าเอง และขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้านของพวกเขาโดยทุกพวกเจ้าต่างร่วมมือกันเอาชนะพวกเขาด้วยการทำบาปและแสดงตัวเป็นศัตรูกันและถ้าพวกเขามาอย่างพวกเจ้าในฐานะเฉลยพวกเจ้าก็ไถ่ตัวพวกเขาทั้งทั้งที่การขับไล่พวกเขาออกไปนั้นเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคำผี และปฏิเสธอีกบางส่วนกระ น, น, นั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอัพยศอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่า น, นั้นและในวันขียามะพวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งและลอนนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ คนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ซื้อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ด้วยชีวิตความเป็นอยู่แห่งปะโลกดังนั้นการลงโทษจึงไม่ถูกลดย่อนแก่พวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالغسل وآتينا عيسى بن مريم ا ل ب ي ّ ن ا ت وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَ ن ْ ك ُ م ْ رَسُولٌ ب ِ م َ ا ل َ ك َ ه و َ أ َ ن ف ُ س ُ ك ُ م ُْ س ْ ت َ ك ْ ب َ ر ْ ت ُ م ْ ดดพัตติเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาและเราได้บรรดาศาสนทูตติดตามมาหลังจากเขาและเราได้ประทานหลักฐานต่างๆแก่อีซาบุตรของมารยาทและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์ แล้วคราใดาที่มีาศาสนทูตนำสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าก็แสดงความยะโสแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธชนกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเจ้าก็ฆ่าเสียกันนั้นหนึ่งและพวกเขากล่าวว่า หัวใจของพวกเรามีเปลือกหุ้มอยู่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขาอันเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาช่างมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่พวกเขาศรัทธาวะลัมมะจ่าฮุมคิตาบุมมินอินดิลลาฮิมซัดดิลลิมามาฮุม าา ست على الل اء ن ن الله على และเมื่อได้มีคัมภีร์ฉบับหนึ่งนะที่อัลลอ์มาอย่างพวกเขาซึ่งมายืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขา ทางั้งที่พวกเขาเคยขอให้มีชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามาก่อนครั้นเมื่อสิ่งที่พวกเขารู้จักดีได้มาอย่างพวกเขาแล้วพวกเขากลับปฏิเสธสิ่งนั้นเสียดังนั้นการสาบแช่งขอล้อจึงตกแก่บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น ب ِ س َ م َ ا َ ش ْ ت َ ر و ا بِهِ أ َ ف خ ُ س َ ه ُ م أَيْ أن َ ف ر ُ و بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ب َ ر ي ً ا أ َ ي يُنَزِّلَ اللَّهُ م ِ ن فَضْلِهِ أ َ ي ُ ن َ ز ِ ل ا ل ل ه ُ م ِ ن فَضْلِهِ عَلَى م َ ن يَشَاءُ مِنَ ْ إ ِ ب َ ا ل ِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ช่างชั่วช้าจริงๆการที่พวกเขาขายตัวเองด้วยสิ่งนั้นถือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ประทานลงมาอันเนื่องจากความอิจฉาทิษยาต่อการที่อลัลลอฮ์ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่ผู้ที่โปรง่งทรงประสริฐในหมู่ปวงบาวของพระองค์ ดังนั้นพวกเขาจึงนำความคกลียโกรธซ้อนความคกลียโกรธกลับไปอย่างคุูและสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นจะได้รับการลงโทษอันต่าต้อย ฉันท์ละเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงสัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงประทานลงมาเถอดพวกเขาก็กล่าวว่า เรากำลังศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราอยู่แล้วและพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งอื่นจัดนั้นทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นเป็นความจริงที่มายืนยันสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเขาโมฮัมหมัดจงกล่าวเว่าเพราะเหตุดใดเมื่อก่อนนั้นพวกเจ้าจึงฆ้าบรรดาาบีของอัลลอฮ์ถ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้สัมผั และแท้จริงมูสาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายัางพวกเจ้าแต่พวกเจ้ายึดเอาลูกอัวหลังจากเขาโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผูน้อาถรร و َ إ ِ ذ َ خَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُّورَ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ك ُ م ْ ب ِ ق ُ و َّ ت وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ب ِ ك ُ ف ْ ر ِ ه ِ م ْ قُلْ ب ِ أ َ س م َ ا ي َ أ ْ م ر ُ ك ُ م بِهِ مَنُكُمْ مِنْكُمْ และจงดำลึกถึงขนาดที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าแต่เราได้ยกภูเขาทรุดขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราประทานลงมาแก่พวกเจ้าอย่างจริงจงัและจงสะดับฟังด้วยพวกเขากล่าวว่าพวกเราฟังแล้วและได้ฝ่าฝืนแล้วและพวกเขาได้ถูกให้ดื่ม ลูกวัวเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาม oh ุฮัมมัดจึงกล่าวถิดว่าช่างชั่วช้าจริงๆที่การศรัทธาของพวกเจ้าใช้ให้พวกเจ้าการะทำเช่นนั้นถ้าหาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา มูนนนิาสมันมหมัดจงกล่าวเถิดว่าทหาสถานอมนักแห่งปะโลกณที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วล้วก็จงหวังความตายเถอดหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิ และพวกเขาจะไม่หวังความตายกันแน่หนึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและอัลลอ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อารทำเหล่านี้ ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أ ش ر ف و ا يود أحدهم لو يعمرو ا ل ف س ل د وما هو بمزحزحه من العذاب أي وعمر والله بصير بما ي ع م ل و ن لا ننون ت ج ق و ا ه พวกเขาเป็นคนห่วงใยยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่และยิ่งกว่าบรรดาผู้ให้มีภาขีขึ้นแก่ล้อซิคนหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นชอบหากพวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวถึงพันปีและมันจะไม่ทำให้เขาห่างไกลาจากการถูกลงโทษไปได้ในการที่พวกเขาจะถูกให้มีอายุยืนยาวแต่ล้อนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทากันอยู่ قل من كان عدو والجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرا للمؤمنين. محمد بن ق ل ا د هو كرايتيكوي بن سكرو تا يبروين با. แทจินเขาได้นำเอาคำพีอัลกุรอานลงมาสู่วจของเจ้าด้วยอนุ ม, มัติของอัลลอ์เพื่อมายืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคำพีอัลกุรอานและเพื่อเป็นทางนำและข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์มาลลย์กาของพรุ่งบรรดาศาสนทูตของพรุ่งยิบรออินและมินกาอินน่้นแท้จิอัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธพระพาลนั้น ا إ <ون> แลแักฐานเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งลงมาอย่างพวกเจ้าแล้วและจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้นอล้วก็ุกๆที่าสาแลว่เราได้รับกลมหนึ่งกพวกเขาแต่คนส่วนให่ไม่เช و ن <ون> และข้าใดที่พวกเขาได้ให้คํามั่นสัญญาใดๆ ไ, ไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็าเหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียขอดันั้นด้วยไม่ส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่สัทธาตณะวัลัมม่าจ้าะหุมรสูลมิงอินดิลลาหิมสัดดิกุลลิมามาหุม اب, และเมื่อมีศาธนทูตคนใดนณะที่อัลลอฮมาอย่างพวกเขาเป็นผู้ยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งจากผู้ที่ได้นับคำภีเตารอดก็เวี่ยงคำภีของอัลลอฮ ทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِيثْنَةٌ فَلَا ت َ ك ْ ف ُ ر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَبْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ ب ِ ض َ ا ر ِّ ي ن َ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ และพวกเขาได้ปฏ ja. ิบัติตามสิ่งที่บรรดาซยตอนในสมัยสุลัยมานอ่านให้ฟัง และสุเลยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่เพะว่าในตอนเหล่านั้นตัางหากที่ปฏิเสธศรัทธาโดยสอนวิชาไสยศาสตร์แก่ผู้คนและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลิกะทั้งสองคือภารุตและมารุตณนะเมืองบาบิลแต่เขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้น เจ้าจงยาปฏิเสธสภาเลยแล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสต ร, ร์จากสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับพัญยาของเขาแต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้นอกจากด้วยอนุมัตของอัลลอ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่า ผู้ที่ซื้อมันนั้นในวันพระโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆและแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขาทราบละหากว่าพวกเขาศรัทธาและยำเกรงแล้ว แน่นอนผลตอบแท น, นะที่อัลลอ์นั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบอ้อผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออนะินาแต่จงพูดว่าอุนซุรนาะ และจงฟังและสำหรับผู้ปสิเสธสภานั้นต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บสากแนยวัดดุลเลดีนคัฟอุ่มินอเห ل ล์อิลกิตาบีวะลลุชรีตีนไอนยุนอสเละอไลคุมมินขยริมมินรับบุคุมวะลลาหูยัขทัศบิรห์หนติฮีไมฮีย์ชา บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่เป็นชาวคำภีและชาวมักกะที่บูชาจเจว็ตต่างไม่ชอบที่จะใมีความดีใดๆจากพระผู้บานของพวกเจ้าถูกประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรนนั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาของพรหมแก่ผู้ที่พรมทรงประสมแล้วรนนั้นทรงเป็น มาละซักมิหน้าายต์อันหรือหนึ่งซ์ฮะนั้ทีบขี่ริมมินาอูมิสล์ฮาอัลมตัองลัมอันอัลลอฮฺอัลกุลลิชัยอินฺดีรองค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราให้มันลืมเลือนไปเราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าองค์การนั้นมา หรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอะลัมอลัมอัลลอฮฮูมุนุสมาวะติวลัวะมาลุมมิดูนิลาฮิวะลวะลานีมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า แคาจริอลัลลอฮทรงมีอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเจ้าย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆอื่นจากอาลัลลอฮอันทุรีดูนอันตัสอาลูรอูลคกุมกะมาสูอิลมูซามินกับล์วะมันยะะบัดดลิลกุฟรุบิลอีมานฟะกอดดัลละซสบีล หรือพวกเจ้าต้องการที่จะขอร้องต่อศาสนาทูตของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มูซาเคยขอร้องมาก่อนและผู้ใดเปลี่ยนเอาการปฏิเสธไว้แทนการศรัทธาแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงจากทานอันทิ้ตรงไปแล้ววดรมมมมิิินอลลบยุุ بعد إيمانكم كفار حسدًا من ع أ َ ن ف س ه م حسدًا من عب أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعتووا ا ف ح و حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء ดีชาวคำพีจํานวนมากชอบหาพวกเขาทําให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ปฏิเสธสไตทั้งนี้เพราะความอิจฉาริษยาที่เกิดจากตัวของพวกเขาเองหลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงให้อภัยและทําเป็นไม่รู้เสียจนกว่าอัลลอฮฺจะประทานคําสั่งของโกรงมาแท้จริงอัลลอฮฺทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง الله. الله และวพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและ จ, จงชาระจักราและค ว, วามดีใดๆที่พวกเจ้าทำไว้ล่วงหน้า สำหรับตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณที่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเขากล่าวว่า จะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์ลเลยนอกจากพุทธเป็นยิวหรือคริสเตียนเท่านั้นนั่นเป็นความเพ้อฝันของพวกเขามื่อมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงดะลามันอสลเลมวัจเฮฮูลิลลาฮิวะฮูมุฮซินุนฟะเลฮูอัจรุฮูอินดะรบบิ ฮาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์โดยเข้าพึ็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณนะพระผู้านของเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดนๆในในแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจย وقالت اليهود ليس ا ن ص ا ر ى على شيء وقالت النصارى ليست ا ي ه و د على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون และชาวยิวกล่าวว่าชา ว, ชาวคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยิวนั้นไม่ได้ตัง้งอยู่บนสิ่งใดทั้งทั้งที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่ในทํานองเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของพวกเขาดังนั้นในวันพรโลกอลัลลอ์จะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน وَمَن أَظْلَمُ مِن مَن عَمَسَ ا جِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا سَمْهُ وَسَعَ فِي ف َ ر َ ا ب ِ ه َ ا أ ُ و لَا إ ِ ك َ م َ ا ل َ لَهُمْ أ َ ي َ يَدْخُلُهَا إلَّا خَائِفٌ ِ ي แล้วใครเล่าที่จะเป็นผู้อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ตีหัวห้ามมัสยิดของอันล์ในการที่พระนามของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้นและพยายามทำลายมันด้วยชนเหล่านี้แหละไม่บางควรแก่เขาที่จะเข้าไปในนั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้น และพวกเขาจะรับความอัพยศในโลกนี้ส่วนในประโลกนั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่ลล ท, ลลทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ดังนั้นไม่ว่าพวกเจ้าจะผินหน้าไปทางไหน ที่นั่นคือพระพระขอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์คือผูอ้ทรงกว้างกว่างผู้ทรงรอบรู دا, และพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึ่งพรมองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสินินโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้สัา น, นอบน้อมต่อพระองค์ رض, พระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้ว โรรองเพียงแต่ประกาศสิ่แก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นว่าก่ลَที่นั้นไม่รู้จักพระُจ้าหรือทَ ا นั้นไม่ได้พูดกับพระเจ้าหรือที่นั้นไมِ่าถึงนเคนที่อยู่กาพวกเขาเมืนกับที่พวกเขาพูดที่พวกเาพูดเหกันหัวใจม และบรรดาผู้ที่ไม่รู้ได้กล่าวว่าฉาไหนอัลลอด์จึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่ก็ใม้มีสัญญาณอย่างนมายัางพวกเราในทํานองนั้นแหละบรรดาชนรุ่นก่อนเขาพ็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของเขาโดยที่วัตใจของพวกเขาคล้ายึ้นกัน ความจริงเราได้แจกแ จ, กแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่กลุ่มชนที่สับพันอินนา่าอัลสลักบิลฮักกิบชีรุและนบีร้อน ولا تسأل عن أصحاب ا ل ج ح ีมและความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับสัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าววาย <تصفيق> ولن تضيعن اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن ا تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك เช้าเดีวยวและเา้าคริสต์นั้นจะไม่ยินดีกับเจ้าเป็นอ น, นขาดจนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามาศาสนาของพวกเขาเมืม่อมาจงกล่าวเถิดว่าถ้าจริงทางนำขอรอดเท่านั้นคือทางนำที่แน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขา หลังจากที่ความรู้ได้มีมาอย่างพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีผู้ครุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้าให้พ้นไปจากการลงโทษของอัลลอฮฺผู้สร้าง ที่่าวกเอยบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขาโดยที่เขาจานคัมภีร์นั้นอย่างจริงใจชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาต่อคัมภีร์นั้นแต่ถ้าผู้ใดปฏิเสธคัมภีร์นั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดถูก ยาบรี كم, อ, ววอิสราเอลจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชาติตั้งหาก و و ละช่วงวันเพลงวันหนึง่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแานสิ่งใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้ และถ้าถ่ายถอนใดๆจะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและความช่วยเหลือใดๆก็หาได้มีประโยชน์แก่ชีวิตนั้นใหม่และพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยหลีว่อิดิจาลาอิบราฮีมรับบุฮูบิคริมาสินฟอาจัมมหุมคาวลอินนีจา عل กขลินนาสิมามา และจงดำลึกถึงขณะที่พระผู้บานของอิบราฮีมเด็ดทดสอบเขาด้วยพระบัญชาบางประการและเขาก็ได้สนองพระบัญชานั้นอย่างครบถ้วนพระองตรัสว่าแท้จริงข้าให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษยชาติ เขากล่าวว่าจากลูกหลานของฉันพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ประสบแก่บรรดาผูมม้อาถรลลา ออและจงดำนึกถึงขนาดที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยพวกเจ้าจงยึดเอาจาก มะกลมที่ยืนของนบีอิบรอฮิมเป็นที่ละหมาดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮิมและอิสมาอินว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้ตวาวและบรรดาผู้เยติกาบและบรรดาผู้รุกหัวและส่อ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آ م ِ ن َ ة وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ و َ م َ ن كَفَرَ ف َ أ ُ م َ ت ِّ ع ُ قَلِيلًا และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าววิงบอนว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยด้วยเถิดและโปรดประทานผลไมต้ต่างๆให้เป็นปัจจัยยัางชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยเถิด คือผู้ที่ศรัทธาต่อละและวันประโลกจากพวกเขาพระองค์ตรัสว่าและถ้าผู้ใดปฏิเสธศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การลงโทษแห่งนรกซึ่งเป็นบ้านกลายอันชั่วชายิ إن أن และทรงดำเนินถึงขณะที่อับราฮิมและอิสมาเอลรับนัทธัตั้บบัลม์นั้นอินนักัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตาตัตัตัตัตัตัตอตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัดัตัตัตัตัตัตัตัวัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัตัต ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้สรงได้ยินผู้ส่งรอบรู้โอ้พระผู้บานของเราได้โปรดให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระ และได้โปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกเราเป็นประชาชาติผู้นอบน้อมต่อพระงและโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการทำฮัจ์ของพวกเราและโปรดอภัยโทษแก่พวกเราด้วยแท้จริงพระองค์เป็นผู้ส่งอภัยโทษผู้ส่งเมตตาเสมอ รบโอ้พระผู้ยบิบของเราได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเองไปในหมู่ของพวกเขา ซึ่งจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ท่านให้เขาฟังและจะได้สอนคำภีและความมุ่งหมายแห่งบทบรรยัติให้พวกเขาทราบและซักพ่อพวกเขาให้สะอาดแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพทรงปรีชายาวเมน يضو عمي التي ب ر น ه ي م น, น, น, น ل ا من س ะ ه ا نفسه ولقد اصفيناه في ุ ل د ن ي ا وإن และใครเล่าที่จะไม่ตึงปราถนาในแนวทางของอิบรอฮิมนอกจากผู้ที่ทำให้ตัวเองชดเขาเท่านั้นและแท้จริงนั้นเราได้คัดเลือกเขาในโลกนี้และแท้จริงในประโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีๆอย่างแน่นอน จงดำลึกถึงขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าเจ้าจงยอมจำนวนเถอเขากล่าวว่าฉันได้ยอมจำนวนแก่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกแล้ว และอิบราฮิมได้สั่งเสียแก่ลูกลกของเขาให้ปฏิบัติตามแนวทางมันและยากูปก็สั่งเสียด้วยว่าโอ้ลูกลกของฉันแท้จริงอัลลอ ได้ทรงเลือกศาสนาให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ายอมตายไปั้นขาดนอกจากพวกเจ้าจะเป็นผู้ยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์เท่านั้น หรือว่าพวกเจ้าอยู่ด้วยเมื่อความตายได้มาอย่างยากุบขณะที่เขากล่าวแก่ลูกๆของเขาว่า พวกเจ้าจะเคารพสการะอะไรหลังจากฉันตายไปแล้วพวกเขากล่าวว่าพวกเราจะเคารพสการะพระเจ้าของท่านและพระเจ้าแห่งบรรดาปิดาแห่งท่านคืออิบราฮีมอิสมาอินและอิสฮาแต่พระองค์เพียงพระองค์และพวกเราจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อพระองค์เท่านั้นทิลน่ล่อัมม์ทลดลัต นั่นคสอหมานูยามนั่ชนที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเจ้าขวนขวายไว้ก็ย่อมได้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่พวกเขากระทำ และพวกเขากล่าวว่าพวกท่านจงเป็นยิวหรือเป็นคริสเตอร์พวกเจ้าก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องมุฮัมมัดจงกล่าวถึงหาเช่นนั้นไม่แต่เป็นแนวทางที่อิบราฮิมผู้ใฝ่หาความจริงตาัางหา และเขาไม่เคยเป็นผู้บูชาจุด َمَا أُوتِيَ مُوسَى أُوتِيَ النَّبِيُّونَ رَبِّهِمْ أَحَدٍ وَنَحْنُ พวกเจ้าจงกล่าวเถิดเราได้ศรัทธาต่อและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ประทานลงมาแก่อิบราฮิมอิสมาเอลอิสฮายาโคบ และบรรดาวงวานเหล่านั้นและสิ่งที่มูซาและอีชาได้รับและสิ่งที่บรรดานบีได้รับจากพระผู้บานของพวกเขาพวกเราไม่ได้แบ่งแยกท่านหนึ่งท่านใดจากเขาเหล่านั้นและพวกเราจะเป็นผู้จำนนต่อพร้อมเท่านั้น และถ้าหาพวกเขาสัทาอย่างที่พวกเจ้าสถัาแล้วแน่นอนพวกเขาย่อมได้รับทานนำที่ถูกต้องและหาพวกเขาผินหลังให้แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกันแ ล, อละอัลลอฮ์ก็จะส่งให้พวกเจ้านั้นเพียงพอแก่พวกเขา และพระองค์นั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบหูยิดลลูนการย้อมของ Allah และใค่เล่าจะย้อมดีไปกว่าเราและพวกเราจะเป็นผู้คารพพักดีต่อพระองค์ ن ن มุหัมมัดต้องกล่าวถึงว่าพวกเจ้าจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮกระดานเรื่อท ง, ทงทั้งๆที่พรงค์ทรงเป็นพระผู้บานของพวกเราและพระผูยบานของพวกเจ้า และบรรดาการงานของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกเจ้าก็เป็นของพวกเจ้าและพวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบความบริสุทธิ์ใจให้แก่พระองค์เท่านั้น หรือว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าแพจิอิบรอฮิอิสมออิสซายาคูและบรรดาวงว่าเหล่านั้นเคยเป็นยิวหรือเป็นคริสมุฮัมมัดยังกล่าวถึงว่า พวกเจ้ารู้ดียิ่งกว่าหรือว่าอาลัลลอฮ์กันแน่และผู้าดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ปิดบังหลักฐานจากอาลัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่ที่เขาและอลัลลอ์นั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำทมมะนั่นคือ กลุ่มชนที่ร่วมลับไปแล้วสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเขาสิ่งที่พวกเจ้าขนขวายไว้ก็ย่อมเป็นของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ถูกไต่สวนถึงสิ่งที่เขาเหล่านั้นกระทำ ยรบรรดามนุษย์ผู้โวดข่าวนั้นจะกล่าวว่าอะไรเล่าที่ทำให้พวกเขาหันออกไปจากคิบลัตคือทิศทางของพวกเขาที่พวกเขาเคยหันหน้าไปมุฮัมมัดตรงกล่าวเถิดว่าทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ไปสู่ทางอันเพียงพ้น وَمَا جَعَلَنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ م َ ن ي َ ت َّ ب ِ ع ُ الرَّسُولَ مِنْ مِنْ يَقْلِبُ عَلَى ع َ ق ِ ب ِ ه ِ و َ إ ِ ن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إ ِ ل َ ا ن َ ك ُ م ْ إِنَّ اللَّهَ بِالْمَاسِلَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ และในทานองเดียวกันเราได้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลางเพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลายและเรอศูลก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้าและเราไม่ได้ให้มีขึ้นซึ่งคิดประหลับที่เจ้าเคยผินหน้าไปนอกจากเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครบ้านพี่จะปฏิบัติตามเราศูงจากผู้ที่กำลังหันส้นเท้าทั้งสองของเขากลับ และแท้จริงการเปลี่ยนแปลงคิปรัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากแก่บรรดาผู้ที่อัล้อทรงแนะนำเท่านั้นและใช่ว่าอาลัลลอ์นั้นจะทำให้การศรัทธาของพวกเจ้าสูญไปก็หาไม่แท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาแก่มนุษย์เสมอ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 แน่นอนเราจะใเจ้านั้นผินหน้าไปทางทิศประลัดที่เจ้าพึงผัวดจงดังนั้นเจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมัสสิทารอมเถิดและที่ใดก็าตามที่พวกเจ้าปรากบอยู่ก็จงผินใบหน้าของเจ้าไปทางทิศนั้นและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับคาภีนั้นย่อมรู้ดีว่ามันคือความจริงที่มาจากพระผู้วบาลของพวกเขาไตรลอร น, นั้นไม่สงเเผ่อในสิ่งที่ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك ت وما أنت بتابع ق ب ل ت ه م وما بعضهم بتابع قبلك بعض ولئن ا ت ب ع ت أهواءهم และแน่นอนถ้าพวกเจ้าได้นำหลักฐานทุกอย่างมาแสดงแก่บรรดาผู้ที่รับคำพีพวกเขาก็จะไม่ตามคิบบหลักของเจ้าและเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามคิบบลักของพวกเขาและในบางกลุม่มของพวกเขาเองก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ตามคิบบลัก ของอ you so ีกบางกลุ่มและถ้าหากเจ้าได้ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาหลังจากที่มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วแน่นอนทันใดนั้นเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้อาธรรม ˹الَّذِينَ آتِينَهُمُ الْكِتَابَ و َ إ َِ ق ه ُล บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขานั้นพวกเขาย่อมรู้จักเขาดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกลูกของพวกเขาและแท้จริงกลุ่มหนึ่งจากพวกเขานั้นปิดบังความจริงไว้โดยที่พวกเขารู้ดีอยู่ความจริงนั้นมาจากพระผู้เปบานของเจ้า และสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นต่างก็มีพิทางหนึ่งซึ่งประชาชาตินั้น เหนหน้าไปสู่ดังนั้นพวกเจ้าจงแข่งขันจันทําความดีทั้งหลายกันเถอะที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่อัลลอฮ์ก็จะท่งนําพวกเจ้ามาทั้งหมดถ้าจริงอลัลลอฮ์ทรงเดชาลุภาพเหนือทุกสิ่มิ น, นร วและจากที่ใดกว่าตามที่พวกเจ้าออกไปพระชงผิดหน้าไปทางมัสยิดฮะรอและแพ้จริงมันคือความจริงที่มาจากพระวิบาลของพวกเจ้าและแล้อนั้นไม่เป็นผู้ทรงเหลือในสิ่งที่พวกเขากระทำ วะเพื ina, ่อมาคุณทั S ้ و ทวัลลูจูฮ์คุณชัตระะลัลล ل ย์คุณลิมนัสอา ن ั ل คุณฮุจจ์ตุนอัลลัลดีนกลมุนลิมฮุมฟาลาทัคช์ฮูมวัลทัคช์ลิวัลอัติมَิงคَุวลลคมทดดลัจากที่ใดก็ตามที่เจ้าออกไปก็จงหินหน้าของพวกเจ้าไปทางมัสยิดฮาร์ เวลาที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ก็จงผินหน้าของพวกเจ้าไปทางนั้นเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆแก่หมูชนที่แย้งพวกเจ้าได้นอกจากบรรดาผู้ทำในหมู่ของพวกเขาเท่านั้นดั่นั้นพวกเจ้าจงอยากกลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดและเพื่อที่ข้าจะได้ความกรุณาของข้าครบส่วนแก่พวกเจ้าและเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้อง ดังที่เราถึงได้ส่ง รอศูนย์คนหนึ่งจากพวกเจ้าเองมาในหมู่พวกเจ้าซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การของเราให้พวกเจ้าฟังและจะทําให้พวกเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์และจะสอนคำํำพีและข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มา ก, าอก่อกนตอนอ น, นั้นพวกเจ้าจงดําลิบถึงขาเถ ข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงยาในระคุณต่อข้าเลยยาฮลีอามนสตอนบิซัดรวัซลา์อินนัลลอฮมสาบิรินบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยความอดทนและการทำละหมาดเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย ات, และวพวกเจ้าอยา ก, กล่าวแก่ผู้ที่ถูกฆ่าในขนทางของเราว่าพวกเขาตายไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตอยู่แต่เพราะว่าพวกเจ้าไม่รู้ และแนนเราจะทดสอบพวกเจ้าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความเห็นและด้วยความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึง่งจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผ er ู้อดทนเถิดออนลิคือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแั่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอรา และแท้จริงพวกเราจะกลับไปอย่างพรอโลาอิกตุมรบบิมวะรมะอลากมุลมุดนชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับคำชมเชยและความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้บานของพวกเขาและชนเหล่านี้แหละที่จะรับทางนำที่ถูกต้อง إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ا ع ت م ر ف لا جناح عليه أ ن ي ط و ف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر ع ل ي م ّ ا ج الصفا مروانا เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอรและนั้นผู้ใดที่ประกอบ พ, พิธีหัตหรืออุมระนักใบตุละอก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองนั้นและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วแน่นอนอะนั้นเป็นผู้ส่งขอบใจ บรรดาผู้ปิดบังหลักฐานอันชัดเจนและทางนั้นันถูกต้อง ที่เราได้ลงมาหลังการที่เราได้ชี้แจงมันไว้แล้วในคำภีร์สําหรับมนุษย์นั้นชนเหล่านี้แหละที่ล้อจะส่งสาบแช่งพวกเขาและผู้สาบแช่งทั้งหลายก็จะสาบแช่งพวกเขาด้วยอัลลอฮฺนะทีบและอัลลอฮฺประเพณูเพรละอิกะตูบ عليهم وأن التواب الرحيم นอกจากผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไข และชี้แจงสิ่งที่ปกปิดไว้ชันเหล่านี้ข้าจะอภัยโทษแก่พวกเขาและข้าคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออลบีมฟรวะมะตุวฟฟารุนอุลัยค์ะะไลห์มลนตุลลอฮฺอุ a ัยค์ะะไลห์มละ a ัลนตุลลวะลฺมลอฺวนฺนจฺมน ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและได้สิ้นชีพลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่นั้นชนเหล่านี้จะรับการสาบแช่งจากอัลลอฮ์และจะรับการสาบแช่งจากมาลิกาและมนุษย์ทข้าดบนพวกเขาจะอยู่ในการสาบแช่งของอัลลอฮ์และการสาบแช่งจากมาลิกา และมนุษย์ตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกข่อนปลนแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกรั้งรอดในการลงโทษเลยเราผู้ที่ควรแก่การเคารพสก arga ของพวกเจ้น า, เเานั้นมีเพียงองค์เดียวไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสก arga ใดๆนอกจากพระง <تصفيق> إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أ ن ل الله من السماء من ما إن فاحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من ك ل دابة وتصريف الرياح، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هاجي ในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและการสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวันและเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลพร้อมด้วยเครื่องอํานวยประโยชน์แก่มนุษย์และน้ำที่ล้อดได้สรงให้หลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าและสรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำน้ำหลังจากที่มันตายไปแล้วและได้สรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพร่สะพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทาง และเหเมฆซึ่งถูกกำหนดให้บริการแก่โลกผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณ น, น, นาน า, นานประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญา รัในิมูมนุษย์นั้ม น, มนมีผู้ที่ยึดเอาพาคีอื่นนอกจากอัลลอ์ซึ่งพอเขารักพาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอ์แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่า แลกบรรดาผู้อธรรมจะได้เห็นขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษอยู่นั้นแน่นอนพวกเขาต้องตระหนักดีว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงขณะที่บรรดาผู้ทีท่ถูกตามได้ปลิ่งตัวออกจากบรรดาผู้ตาม และขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษและขณะที่บรรดาสัมพันธภาพที่มีต่อกันได้ขาสบัลงว่า ا ت ت ل الذين تبرؤ لأن لَنَا ك َ ر َ و َ ة َ ت َ ن َ ت َ ب َ ر َ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ ي ُ ر ِ ي ه ِ م ُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ح َ س َ ر َ ا ت عَلَيْهِمْ و َ ل َ م هُمْ بِخَارِجِينَ م ِ ن ا ل ن َ ا ر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 โอ้มน uh ุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุม oh, ัต si. um ิที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของไทรตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจงของพวกเจ้า ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทาความชั่วและสิ่งลามกเท่านั้นแต่จะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเท็จแกล้วล้อในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ลอได้ประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กล่าวว่ามิได้เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้นและแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งยังไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องก็ตามกระ น, นั้นหรือ م م และอุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธานั้นดังที่ผู้ส่งเสียงตวาดสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียก และเสียงตะโกนเท่านั้นพวกเขาคนหูหนวกเป็นใบตาบอดตอนนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจยาไอ้ฮัลลีนอามะนุคูลมินทยบาทิมาราซคุนาคุมวัชครุลิลละฮิอินคุมตุมอิยาห์ตะบูดู บรรดาพุทธาทั้งหลายชมบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและชงขอบคุณตลอเถือหากปรากฏ ว, ว่าเฉพาะพรงเท่านั้นที่พวกเจ้าจัเป็นผู้เคารพสการอินนัม่าห์รมัลล่ยุมุลไมค์ตะวัดดมะวะลัมมัลฟินซีรวะมาอูนิลลับิฮิลยริลลา ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุก่อนแล้วสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอัลห์และผู้ใดที่ได้รับความทับขัน โดยไม่ใช่เป็นผู้ส่อแสแวงหาและไม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบากใดๆแก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออินนัลลอีีเล็กมูนมาอันซัลลอหุมินัลคิตาบวาช ويشترون به ثمن قليل แท้จริงบรรดาผู้ทิ่ติดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพี เทล้์ได้ส่งประธานลงมาและนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่าเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้ไม่ได้กินอะไรลงไปในท้องของเขานอกจากฝ่ายเท่านั้นและในวันกิยามานั้นอลัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดกับพวกเขาและจะไม่ทรงทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเก็ยสคร้ อบบาาาอค น, น, นเหล่านี้คือผู้ที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้องไปแรกกับแนวทางที่หลงผิดและเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการหลงผูกพวกเขาช่างทนต่อไฟนรกเสียนี้กัน ذَارِكَ اللَّهَ بِأَنَّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ اخْتَلَفُوا นั่นกเพราะว่าอัลลอฮ์ได้สรงประธานคำภีลงมาพร้อมด้วยสัจจะและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคำภีนั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล ليس ا ل ب َ أ ا ء و َ ل و ج و ه ك م قبل المشرق والمغرب ولكن البيض من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آ ن ت المال على خب فيه دو ا ل ق ض َ واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وبنال سبيل و ا ل س ا ئ ل ي ن وفرد ي قلب وأقام الصلاة وأقام الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و ا ل ص ا ب ر ي ن في البأساء والضراء وحين البأس ا ء و ا ل ض ر ا ء وحين البس ออออูลลลิดดีนนหาใช่คุณธรรมไม่การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่เพาะว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่อหล่อและวันพราโลกและศรัทธาต่อมาละิกะต่อบรรดาธรรมพีและนบีทั้งหลายและบริจาคทรัพย์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 فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إلَيْهِ ِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ ت َ خ ْ ف ِ ي ف ٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ أَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فسّاثن الله. การ بحث كاتب قتل لقتله. ได้ถูกกาหนดแก่เจ้าแล้วคือชายอิสระต่อชายอิสระและท่าต่อท่าหญิงต่อหญิงแล้วผู้ใดที่มีสิ่งหนึ่งจากที่น้องของเขาถูกอาภัยให้แก่เขาแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชำระแก่เขาโดยดีนั่นคือการผ่อนปรนจากพระผู้บานของพวกเจ้าและเป็นความเมตตาด้วยแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะรับการลงโทษอย่างเช็บแส่และในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการทนมไว้ซึ่งชีวิตสําหรับพวกเจ้าโอ้พูมีสติปัญญาทั้งหลายคือว่าพวกเจ้าจะได้ยังเกรย์ إذا الموت الدين الدين والأقربين بالمعروف حضر أحدكم حقا رك خير رك خير المتقين لل لل لل لل صية صية การทำพินัยกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล้าทั้งสองและบรรดาญาติใกล้ชิดโดยชอบทำนั้น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 แล้วผู้ใดเกรงว่าผู้ทาที่ในกรรมไม่มีความเป็นธรรมโดยไม่รู้หรือกระทําความผิดโดยเจตนาแล้วเขาได้ประนีประนอมในระหว่างพวกเขาเพราะไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอัลลอฮเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสม บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลนวนั้นได้เคยถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่เคยถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยังเคร่ أيام ا معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم ن أيام أ خ ر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير ل ه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 هذل الناس وبينات من ا ل ه د ى والحقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، و َ م َ ن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ف َ ع ِ د ة مِنْ أَيَّامٍ أ ُ خ ر َ ى ُرِيدُ اللَّهُ الْيُسْرَ يُرِيدُ الْعُسْرَ وَلِيْتُكَبِّرُ وَلِيْتُكَبِّرُ بِكُمُ بِكُمُ وَلِيْتُكْمِنُ وَلَا الْعِدَّةَ اللَّهَ عَلَى هَدَاكُمْ عَلَى เดือนอุมَตَ์นั้ ن เป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนาสาหรับมนุษย์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 และไม่ทรงให้มีความยากลําบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบท้วนซึ่งจํานวนวันของเดือนอโมนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ความเ ค, ครงไตร์แด่อลัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์แนะนําแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณวออลกบบดีีร ุีดดดาวดาดาาและเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบอว่าถ้าจริงข้านั้นอยู่ไกลข้าจะตอบรับคำวิงบอนของผู้ที่วิงบอนเมื่อเขาวิงบอนขอแต่ข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับค่าเธอและสถาตอบค่าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องอุินละละคุมเลละกัสสยามิรรฐกุอิลาลิส ا อิคุมหุนลิบาุละคุมว่อันคุมลิบาสละหุม ع َ ا ل ِ م َ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُلٌّ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ ف َ ا ل ْ آ ن َ بَاشِرُهُمْ و َ ب ِ ن ْ ت َ غ ُ و م َ ا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ و َ ك ُ ل ُ و ا و َ ش ْ ر َ ب ُ و ا حَتَّى ي َ ت َ ب َ ي َ ن َ لَكُمُ الْخَيْقُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْقِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم ع ا ك ُ و ن في المساجد تلك حدود الله فلا ت ق ر ج و ه ا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ได้เป็นที่อนุมัติแกَพวกเจ้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 يسألونك عن أهل ل ل ه قل هي مواقيت ل ل ن ا س والحج وليس البرض بأن ت أ ت و البيوت من ظهورها و ل ك ن البرض من التقاء وقت البيوت من أ د و ا ِ ه ا واتقوا الله لعلكم تفلحون.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 และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและวพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางขอร้อง Allah, ต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุกรานแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ف َ ق ِ ث ْ ت م ُ و ه ُ م ْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ا ل ْ ق َ ت ُ و ْ م وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى ي ُ ق َ ا ت ِ ل ُ و ك ُ م ْ فِيهِ ف َ إ ِ ن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْك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 เช่นนั้นแหละคือการโต้ตอบผู้ปฏิเสธศรัทธาแทอินิลแทฮฟ ف ا นัลลอฮุรเราะฮีมแล้วถ้าหาพวกเขายุติแน่นอนอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอวะกอซิลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะวะยากูนดดีนุลลอา และต้องสู้รบ ก, กับพวกเขาจนกว่าการตั้งภาคีต่อรถจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่อเหรอเท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อาถรรเท่านั้น الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات عليكم وا عليه بمثل علي الله وا الله فمن فاعتدوا เดือนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามแต่บรรดาสิ่งจำเป็นต้องเคารพนั้น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 และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางของลอและจงอย่ายโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพินาศและจงทำดีเถิดแพริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้กระทำความดีทั้งหลาย فإن أحسدتم ف م س ت يسر من الهدى ولا تحلق و ا رؤسكم و حتى يبلغ الهدى محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذم رؤسه فتديه فتديه من صيام أو صدقة أو ن صب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 และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์กับการทำฮัจ์และการทำาลุมระอเพื่ออัลลอ์เถิดแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกัน้นก็ให้เชือดสัตว์คลีที่หาเด้งง่ายและจงอยาอ่าโกนศีรษะพวกเจ้าจนกว่าสัตว์คลีนั้นจะถึงที่ของมัน แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยหรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศรีรษะของเขา <c oughs> ก็ให้มีการเชดเชย อ, อันได้แก่การถือสินดหรือการทําหาชหรือการเชื่อสัตว์ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดสแสวงหาผลประโยชน์จนถึงช่วงของฮัชด้วยการทําอุ่มรองแล้วก็ให้เชื่อสัตว์พลีที่หาได้ง่ายผู้ใดที่หาไม่ได้ก็อถูอสินดสามวันในระหว่างการทําหัช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 فَمَنْ فَرَضَ ف ِ ي ه ِ الْحَجْ فَلَا ر َ ف َ ت َ وَلَا خُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي ا ل ْ ح َ ج وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّذُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى و َ ا ت َّ ق ُ و ل ِ ي َ ة ُ لِلْأَلْبَابِ. َวลาَำ حج ْ ن ้ ا م ีอยู่หลายเดือ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 <تصفيق> ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل ا من ربكم فإذا أ خ ط ت م من عرفات فذكر ا و الله ا عند ا ل م ش ع ر الحرام وذكره ا و كما ه د ا ه م وإن كنتم. กลนนไม่มีโทษใ ด, ดๆแต่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าสแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระผู้บานของพวกเจ้าทั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอาราฟ้าแล้วจงกล่าวดำลึกถึงอัลลอฮ์นะมัสอาลิฮารและจงกล่าวดำลึกถึงพระองค์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 فَإِذَا ق َ ض َ ي ْ ت ُ م م َ نَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ ء َ أَوْ أ َ ش َ د َّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آ ت ِ ن َ ا ف ِ ي ا ل د ُّ ن ْ ي َ ا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن ْ خَلَاقٍ ท่นเมื่อพวกเจ้าประกอบพุทธีฮัชของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอรห์ดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าในหมู่มนุษนั้นมีผู้กล่าวว่าโอ้พระวิบาลของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนดีๆใดในปรอโลก ว่ามีคนหนึ่งพูดว่ารับเราอาตีน่าในโลกนี้พัสนะทว่าในโลกหน้าพัสนะรับเราอาตีน่าใน ة ลกนี้พ ن สนะทว่าในโลกหนาพัห้เน่ี้พวกหน้าพัท้ีน่ลีะ่าในห้พทวเาีน่านลีพว่าโกพทว่ารอี่ล้พะทว่าล้ันว่าอง้พะวกานเราอพวกา โปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในพรโลกและโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดอลอินมนซีบุ ม, มิม ม, มาซบูวะแลอัลฮิซบนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับส่วนดีจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว ل و َ ا س ْ ت َ ك ُ ر ُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْتَعَجَلَ فِي يَوْمِ ف َ ل ا َ ل َ ت ِ ه ِ و َ م َ ن ت َ أ َ خ َّ ر َ ف َ ل ا َ ل َ ت ِ ه ِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ และพวกเจ้าจงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ถูกนับว้และผู้ใดรีบ ก, กลับในสองวันก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาและผู้ใดรับรอไปอ ก, ก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาทั้งนี้สําหรับผู้ที่มีความยำเกรงและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและพึงรู้ได้ว่าพวกเจ้าจะถูกนําไปชุมนุมอย่างพระ ว่ามนุษย์มี ه ย่างจับคุณค่าในชีวิตของตนและในหมู่มนุษย์นั้นมีผูท้ที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และเขาอ้างอเล็กเป็นพยานต่อสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขา และขณะเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่จะ ก, กาจะ ก, กันยิง่งและเมื่อเข้าให้หลังไปแล้วเขาได้เพียรพยายามในแผ่นดินเพื่อก่อความเสียหายในนั้นและทำลายทุตผลและเผ่าพันธุ์ และอลอ้นนั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายและวเมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดความยิ่งในเกียรติก็ยึดเขาไว้ให้กระทำบาปต่อไปสิ่งที่พอเพียงแก่เขานั้นคือนรกยานนะัน และแน่นอนมันเป็นที่หลับนอนอันเลวร้ายยิ่งและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่ขายตัวของเขาเพื่อแสวงหาความพอพระทัยของอัลล แล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงปราณีแก่บรรดาปวงเบาทั้งหลายยา أيها ا ل บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าก้าวเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของไช ย, อยตอนแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าแต่อซลัุมมิบดมจุลบยนาัลมูตัลมูอันนัลลอฮอซซุฮะมแต่ถ้าพวกเจ้าหันเห อ, ออกไปหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้ว ก็เพิ่งทราบเถิดว่าแท้จริงอัะเหรทรงเดชานุภาพทรงปริชายาและพวกเขาไม่ได้คอยอะไรนอกจากการที่อัลลอฮและมาเลยกะ ของปรุงจะนำการลงโทษมายัางพวกเขาในร่มเงาจากก้อนเนคและเรื่องการลงโทษนั้นได้ถูกชี้ขาดเอาไว้แล้วและยังอาล้อนนั้นเรื่องราวทั้งหลายจะถูกนำกลับไปลบสลนนนนอออิราม د د เจ้ามหามหันจงถามวงวานอิสรอเอลเถิดว่าสัญญาณชัดแจ้งที่มากน้อยแล้วที่เราได้นํามาอย่างพวกเขาและผู้ใดเปลี่ยนแปลงความกรุณาของอัลลอฮ์หลังจากที่มันได้มาอย่างเขาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ลง โอยากุชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย และพวกเขายังเย้ยหยับนบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้แต่บรรดาผู้ยำเกรงนั้นเหนือกว่าพวกเขาในวันปรโลกและเราจะส่งประธานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่กลมะสง์โดยปราศจากการคำว น, ค น, น, น, นวณนับ فبعث الله ا ل ن ب ِ ي ّ ي ن مبشّرين وملذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه. ولاختلاف ا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بعيان بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم มนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันภายหลังอลัลละฮฺได้ส่งบรรด า, าศาสดามาในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายและได้ทรงประธานคัมภีร์อันประกอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาด้วยเพื่อว่าคัมภีร์นั้นจะได้ตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและไม่มีใครขัดแย้งกันในคัมภีร์นั้นนอกจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นมา หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายัางพวกเขาทั้งนี้เพราะความอิจฉาดิสยาในระหว่างพวกเขาแล้วลอนนั้นทรงชี้นำแก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงความจริงที่พวกเขาขัดแย้งกันด้วยอนุมัติของพระองค์แล้วลอนนั้นทรงชี้นำ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم م س ت ه م البأساء و ا ل ض ر ا ء وزلزلوا ัห์ย่งนรสูลุแีนอมเนรัลลัห์ยร์ัลลห์รพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่เยี่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเจ้ายังไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าเลยซึ่งบรรดานความยากลำบากและความเดือดร้อน ได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้รับความหวั่นไหวจนกระทั่งศาสนทูตและบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขากล่าวขึ้นว่าเมื่อไหรแล้วการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมีมาพึงรู้เถิดว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้นใกล้อยู่แล้ว พวกเขาจะถามเจ้า ว, ว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้างโมมัตจึงกล่าวเถิดว่าทรัพย์สินใดๆก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไป ก็จงให้แก่ผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดและแก่บรรดาเด็กกาพร้าและคนยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทาอยู่นั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ครูดีคุิบะอาลัยคุมุลกิตาลูวะฮูวะคุบฮุลลัคุมวะสาอต์ครหูชัยอูวะฮูวะขยรุลลัคุม แล า, า่กงลมัันนเอทารสูร้รบนั้นได้ถูกกาหนดแก่พวกเจ้าแล้วทั้งๆ ท, ที่มันเป็นที่รังเกียจแก่พวกเจ้าและอาจเกินไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้าและอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่ง ทั้งทงที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวแก่พวกเจ้าและร้อนนั้นทรงรู้ดีแต่พวกเจ้าไม่รู้น والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من ا ل ق ت ل ولا يزالون يقاتلونكم حتى ي ر د و ك م عند ي ن ك م إن استطاعوا ومن ي ر ت د منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك ออุุ ا آ رة, ุพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนที่ต้องนับการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตในการขัดขวางให้ออกจากทางของอัลลอฮฺและการปฏิเสธศรัทธาต่อผูก และการกีดกันไม่ให้เข้ามาสัสยิดฮะรอตลอดจนการขับไล่ชาวมาสัสยิดฮะรอมออกไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าณที่อัลลอฮ์และการพิตนะนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าการข้าและพวกเขาจะยังคงต่อสู้พวกเจ้าต่อไปจนกว่าพวกเขาจะทําให้พวกเจ้ากลับออกไปจากศาสนาของพวกเจ้าหากพวกเขาสามารถและผู้ใดในหมู่ พวกเจ้ากลับออกไปจากาศาสนาของเขาแล้วตายในขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธสภาแล้วใส่ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาก็ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโโลกและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล อ وا ินนัที่นละผีนับแลนับละที่นับแ้นับและนและดูี่นบละผู้ทนบล้าีับดูนับละผู้ทัละผทัและทบะู้นับรละผีนแผู้ที่ น, ทนับแผู้ัและ้ท่บและผู่ผู้ที่นับและ้ท่นัและู้ท่นัลู้่นัลทนั้นัล้่นล่นัลี่น้ีนแ้ี่และที่ละที่หัังความูม่นาาับและละ่ ل ا ل ل ا ل ه َ ل َّ ا ه ُ و ا ي ُ ت ٌ ق َ ي ُ و م ُ ي ل ا ي ْ أَنْتَ و َ أ َ ن َْ م ُ ؤ ْ م ي َ س ْ أ ل و ن َ ك َ عَنِ ا ل ْ خ م ر و َ ا ل م َ ي ْ س ِ ر قُلْ ف ي ه ِ م ا إ ِ ث ْ م ك َ ب ِ ي ر و َ م َ ن ا ف ِ ع ُ ا ل ن َّ ا س و َ إ ث ْ م ُ ه م ا أ ك ب َ ر م ِ ن ن َ ف ع ه م ا و َ ي َ س أ ل و ن َ ك م ا ذ ا ي ن ف ق ُ و ن َ ق ُ ل ل ع ف و كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك علية ما قل إصلاح لهم خير وإنت خ ا ل و ه م فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำหมักและการทังมฮัมมัดทรงกล่าวเถิดว่าในสองนั้นมีโทษมากและมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมีมากกว่าคุณประโยชน์ของมันและพวกเขาก็จะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใดจงกล่าวเถิดว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้ใจในทํานองนั่นแหละอลัลลอฮฺจะทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ให้ผลทั้งในโลกนี้และอัโลกและพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับบรรดาเด็กกาพร้าจงกล่าวเถิดว่าการปรับครุงแก้ไขใดๆสําหรับพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่ง และถ้าหากพวกเจ้าจะร่วมอยู่กับพวกเขาพวกเขาคือพี่น้องของพวกเจ้าและอลัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีถึงผู้ที่ก่อความเสียหายจากผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขและหากอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงให้พวกเจ้าลำบากไปแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพทรง ولا تنجح و المشركات ا حتى يؤمن و ا و ل أ م ت مؤمنة خير من مشرك ة ولو أعجبتكم ولا تنجح و ا ا ل م ش ر ك ي ن حتى يؤمن ولعبد ا و مؤمن خير من مشرك ولو أ ع ج ب ك م และพวกเจ้าุงอย่าแต่งงานกับมุสริกจนกว่านานจะศรัทธาและแน่นอนทาาหญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่า หญิงที่เป็นมุสิกแม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตามและพวกเจ้าจงอย่าให้นางแต่งกับชายที่เป็นมุสิกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาและถ้าชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุสิกและแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตามชนเหล่านี้แหละ จะชักชวนไปสู่ไฟนรกและอัลลอฮ์นั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์และไปสู่การอภัยโทษ ด, ด้วยอนุมัติของพระองค์และพระองค์จะทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก ق ُ ل ه و َ أ َ د ف َ ع ْ ت َ ز ِ ل ُ النِّسَاءَ ف ي ا ل ْ م َ ح ِ ي ض وَلَا ت َ ق َ ر َ ب ُ ه ُ ن َّ حَتَّى ي َ ط ْ ه ر فَإِذَا ت َ ط َ ه َ ر َ ن َ ف َ أ ت و ُ ه ُ ن َّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ا ل ت َ و َ ا د ِ ي ن َ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لَهُمْ ك َ م َ ح ُ ا َ ه ا م ُِِ ي و َ ا ل ِ ประจําเดือนของสตรีจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลหญิงในขณะที่มีประจําเดือนและจงอย่าเข้าใกล้านานจนกว่านานจะสาอาดรันเมื่อนางได้ชำระร่างกายสาดแล้วก็จงมาหานางตามที่อลัลลอส์ทรงใช้พวกเจ้าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทมตัวให้สานิสาอัน์ุลคุณฟอทุกคุณอันนาชดิมลิอันฟุคุลักอลลอฮลมอันคุมลาฮบและมุนนบรรดาหญิงของพวกเจ้านั้น คือแหล่งพ่อปลูกของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงมายังแหล่งพ่อปลูกของพวกเจ้าตามที่พวกเจ้าประสงค์และจงประกอบไว้ล่วงหน้าสําหรับตัวของเจ้าและพึงยําเกรงอัลลอฮ์และพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้พบกับพระองค์และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเถิด َلَا اللَّهَ ان أن بين ال และพวกเจ้าจงอยากให้อัลลอฮเป็นอุปสรรคขัดขวางเนื่องจากสาบานของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะกระทำความดีและมีความยังเกรง และในการที่พวกเจ้าจะพระณีประนอมระหว่างผู้คนแ ล, แล้วร้อนั้นเป็นผู้ส่งได้ยินผู้ส่งรอบรูยิง่งและ้บิลลวไอมมบิบัลลานะอลอจะไม่ส่งเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยคำพูดพล้อยๆในการสาบานของพวกเจ้า แต่ถ้าพระองจะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของพวกเจ้ามีจุดมุม่งหมายและลอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภัยโทษผู้ทรงขันติสำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่า จะไม่มีเพศสำพันกับพัญยาของเขานั้นให้มีการรอคอยไว้สี่เดือนแล้วถ้าหากเขากลับคืนดีแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมออุและถ้าพวกเขาตัดสินใจเด็ดขาดพิจาริยาร้างแล้วใส่แน่นอนอัลลอ์นั้น والمطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثة قرء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أ ض ح ي ه ن ولا يحل لهم أن ي ك ت ل ن ما خلق الله في أرحامه إن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و ب ع و ن ت ه ن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا َلَهُنَّ และบรรดาหญิงที่ถูกย่าพวกนางต้องรอคอยตนเองสามตุรุและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัล ได้สรงบังเกิดขึ้นในมดลูกของนางหากพวกนางสัทหาต่อเลาะและวันปรโลกและบรรดาสามีของนาง น, นั้นเป็นผู้มีสิทธิ์กว่าในการให้พวกนางกลับมาในกรณีดังกล่าวหากพวกเขาปรารถนาประณีประนอมและพวกนางนั้นจะรับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรม และสําหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือกว่าพวกนางขั้นและอัลเลาะนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาอัตตลากมมัรตานฟอินซะกุมบิมารูฟินเอาวะตสรีหุบิห์าน ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ت ي ت م و ه شيئا إلا إلا أي خاف ا أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في مكتبت ا ا به و و าอย่านั้นมีครั้งแล้วให้้มีการยยยัับงไวโดชอบบทักกกหหรรรือออไไม่่็ใ้้ปลยปพาำความดีแและไม่่อนุญาตพวกเจ้า ในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางคือมหาร์นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอลัลลอฮ์ได้เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอลัลลอฮ์แล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่นางใช้ไถ่ตัวนางเหล่านั้นแหละ คือขอบเขตของอัลล่ะพวกเจ้าจงยาละเมิดมันและผู้ไดละเมิดขอบเขตของอัลล่ะและ้วใสชนเหล่านั้นแหละคือผู้อาธรรมแก่ตวัวละบอินตลกหาฟลาทหิลละหูมินบ่าดหัตตาทันคิฮะเจกันไหร่ะ ف َ إ ِ ل َ ق َ ل ق َ ه َ ا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أ َ ي يَتَرَجَعَ إ ِ ظ َ ن إ ظ َ ن َّ أ َ ي يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبِينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. <تصفيق> นางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้นจนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นจากเขาแล้วถ้าหากสามีนั้นอย่านางก็ไม่มีบาปใดๆแก่ทั้งสองที่จะคืนดีกันใหม่หากเขาทั้งสองคิดว่าจะดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอ์ได้และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอ์ซึ่งปรุง وَإِذَا ق َ ل ق ُ ت ُ م النِّساءَ ف َ ب َ ل َ غ ن َ أ َ ج ل َ ه ُ ن ف َ أ َ ن س ك ُ ه ن بِمَعْرُوفٍ أ َ و س َ ر ِ ح ُ ه ُ ن بِمَعْرُو وَلَا ت ُ س ِ ف ُ ه ُ ض ِ ر ا ر ً ا ل ِ ت َ ع ت َ د ُ و ا وَمَن ي ف ع َ ل ذَلِكَ ف َ ق َ د ظ َ ل َ م َ ن َ ف ْ س ه ولا تتخذوا آيات الله م ز و ا و ا ذ ك ر و ا لعنة الله ع ل ي ُ م وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبكم به واتقوا الله وعلمو أن الله بكل شيء رحيم. لما هو حك جاو يا ع ب د ن ل ل ف حنья แล้วพวกนางถึงกําหนดเวลาของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งนางไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็จงปล่อยนางไปโดยชอบธรรมและพวกเจ้าจงอย่ายับยั้งพวกนางไว้โดยมุ่งก่อความเดือดร้อนเพื่อพวกเจ้าจะได้ข่มเหงดังแก่และผู้ใดกระทำเช่นนั้นแน่นอนเขาข่มเหงตนเอง และจงย่าถือองค์การของอะรถเป็นที่เยอะอย่างและพึงรำลึกถึงความเมตตาของอรรถที่มีดแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าอันได้แก่คําพีและบทบัญญัติซึ่งพระองค์จะใช้มันนั้นตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าพึงยังเกรงอะรถเถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริง وَإِذَا ق َ ل َّ ق ت ُ م ُ ا ل ن س َ ا ء ف َ ب َ ل غ ْ ن َ أ َ ج ل َ ه ُ ن ّ فَلَا ت َ ع ْ ذ ُ ر ُ ه ُ ن فَلَا ت َ ع ذ ُ ر ه ن أ َ ي ن ك ف ِ ح ْ ن َ أ ز و َ ا ج َ ه ُ ن إ ذ َ ا ت َ ر ا ب َ و ا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ب ِ ا ل م َ ع ْ ر و ف ذلك يعوض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. แล้เมื่อพวกเจ้าได้ยาพัญญาแล้วนางเหล่านั้นได้ถึงกำหนดเวลาคิดดะของพวกนางแล้ว ก็จงยาขัดขวางพวกนางในการที่พวกนางจะแต่งงานกับบรรดาผู้ครองของพวกนางเมื่อพวกเขาต่างพอใจกันระหว่างพวกเขาโดยชอบธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่จะถูกนำมาตักเตือนแก่ผู้ที่ศรัทธาต่อโลกและวันพรอโลกนั่นแหละคือสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าสะอาดกว่าสำหรับพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ الوالدات ي ر ض ع ن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أ ي تم الرضاعه وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاض و ا ل د ت ه بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادك صلاة ن ت ر ا ض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. و َ إ ِ ن ْ أ َ ر َ د ْ ت ُ م ْ أَن تَسْتَفْضِعُوا أ َ و ْ ل َ ا د َ ك ُ م ْ فَلَا ج ُ ن َ ا ح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آ ت ي ت ُ م ْ بِالْمَعْرُو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لما دارتن لائنان... เป็นระยะเวลาสองปีเต็มสาหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้หนุนและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนานและเครื่องนุ่งห่มของพวกนานโดยชอบกันไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมาดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามี เนื่องด้วยลูกขอ ง, งานางและพ่อของเด็กก็จงหย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่พัญญาเนื่องด้วยลูกของเขาและหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าทั้งสองต้องการอย่างอันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหาหรือกันจากทั้งสองแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองและหากพวกเจ้าประสงค์ ใจมีแม่นมขึ้นแก่ลูกลูกของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอแทนโดยชอบและจงยังเกรงต่อลอถือและพึงทราบเหลือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين يتوفن و منكم ويذعن أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه م أربعة أشهر وعشرات فإذا بلغ مأجلهم فلاجناح عليكم فيما فعل ن في أ ن ف س ه ّ بالمعروف Er. และบรรดาผู้ทีเสียชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและทิ้งคู่ครองไว้พวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนางเองสี่เดือนกับสิบวันครั้นเมื่อพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทาไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธร لألالله ولا جناح عليكم فيما أوضت به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سر إلا. إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة منك حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا و ع ل م ล أن الله غفور حليم และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นนัยยะในการขอแต่งงานดิบและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงำไว้ในใจของพวกเจ้าอลลอฮฺทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบแต่ถ้าว่าพวกเจ้าอย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับ นอกจากพวกเจ้าจะกล่าวด้วยคำที่สุภาพเท่านั้นจงอย่าตัดสินใจทำพิธีแต่งงานจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงการสิ้นสุดของมันและพึงพทราบเถิดว่าแท้จริงลอลลอส์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าพวกเจ้าจงระมัดระวังการลงโทษของพระองค์และพึงพทราบเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ لا جناح ع ي ك م إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة ومتعهن على الموسئ قدره وعلى ا ل م ق ت ِ ر قدره متع بالمعروف حقا على المحسنين. ไม่มีบาใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหาพวกเจ้าอยาพันยา โดยที่พวกเจ้ายัางมีได้แต่ต้องห น, นักหรื อ, อยังมีได้กำหนดสินสอนดใดๆแก่พวกนั้และจงให้นานได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวก น, นังโดยหน้าที่ของผู่มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาท้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรม ف َ ي ِ ي َّ ا طَلَقْتُمُهُنَّ مِن ق َ ب ل ِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ ف َ ر َ ض ْ ت م ل َ ه َُّ ف ر ي ض َ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُمَا فَرَضْتُمْ إِلَّا إلا أ ن يعفون أو يعف والذي به ي د ع ق د ة النكاح وأن تعفوا أقرب ل ل ت ق و ى ولا تنسوا ا ل ف ض ل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ل ละถ้าหาพวกเจ้าอย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนาง โดยที่พวกเจ้าได้กำหนดสินสอดแก่นางแล้วก็ตงให้ขึ้นหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากาหนดไว้นอกจากว่าพวกานางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่กล้แก่ความยำเกรงมากกว่าและพวกเจ้าจงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแพ้จริง ล ya, l l a h ส่งเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพู้เจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้และละหมาดที่อยู่กลางกลางจงยืนละหมาดเพื่อรอโดยนอบน้อม ถ้าพู้เจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือขี่พานะครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงดำลึกถึงอัลล์ดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าสิ่งซึ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มากอ่อน والذين ي ت و ث ّ و ن منكم ويذرون أزواجه ووصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا ف ل ا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم และบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตในหมู่พวกเจ้าและลากทิ้งผู้ครองไว้นั้นจงให้มีไว้ในกรรมไว้ให้แก่ผู้ครองของเขาซึ่งสิ่งอํานวยประโยชน์แก่นานถึงหนึ่งปีโดยไม่มีการขับไล่แต่ถ้าพวกนางออกไปเองก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงเดชะว่า ผู้ปรชาและสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกย่านั้นจะรับสิ่งอํานวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยังเกรงทั้งหลายในทรรมนองเดียวกันนั่นแหละ ลล l a ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าสร้างเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจอล อ, ลจจอลรลรริิดดีนฮ เจ้ามีได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาหรือทั้งๆที่พวกเขาเป็นพันๆคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วเราก็ได้ประกาศสิทแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจึงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงลารนั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์แต่เพราะว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางก่อล้อเถิดและพึงทราบเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มี ي ي ط ط มคใครบ้างไหมที่ให้อลัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีและพระองค์จะสรงเพิ่มภูนหนี้นั้น ให้แก่เขามากมายหลายเท่าแ ล, แล้วล้อนั้นทรงกรมไว้และทรงแบกออกและอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปออุ إذ قالوا لنبيل له مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل ع س ى ُ م إن كتب عليكم القتال أننا نقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأذنائنا ف แลเมื่อคุบ ت ت ัุ عليهم القتال توالى إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين จ้ามุฮัมมัดมิได้มองดูพวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสราเอลหลังจากที่มูซาได้จากไปแล้วดอกหน่ขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งว่า โปรดทรงกระสัองค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของ้องเขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ไม่ว่าพวกเจ้านั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่าและมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรือที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในล้นทางของร้อง ทั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเราครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกําหนดแก่เขาแล้วพวกเขาก็ผิดหลังให้นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้น قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال قال إن الله ا صفقه ط عليكم وزاده ب س ط ة في العلم والجسم والله يعطي ملكه ว ا يشاء والله واسع عليم และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จิอัลลอฮ์ได้ท่งส่งอังลลอฮมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไรทั้งทั้งที่พวกเราเป็นผู้สมควรแก่อำนาจนั้นยิ่งกว่าเขา แล้วเขาก็มาไม่รับทรัพย์สมบัติอันมากมายนาเบียงเขากล่าวอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าและได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีกซึ่งความรู้อย่างกว้างขวางและร่างกายที่กำยำแล้วรอ้นั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วลอ้นนั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางผู้ทรงรอบหู وقال لهم نبيهم إن آ ي ة َ ملكه هي يأتيكم ا ل ت ُ و ت ُ فيه سكينة من ربك فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى و َ آ ل هارون และนบีของพวกเขาได้กล่าวจะพวกเขาว่าแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้น คือการที่หีบใบนั้นจะมาอย่างพวกเจ้าในหีบนั้นมีความสมุบจากพระพู้บาลของพวกเจ้าและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและฮารูนได้ละทิ้งไว้โดยที่มาไยกะจะแบกมาแท้จิงในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้สัมั ف َ ل َ م َّ ا م َ ت َ ص َ ل َ طَالُوتُ بِالْجُلُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَارٍ ف َ م َ ن ش َ ر ِ ب َ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي و َ م َ ن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا ِ مَنْ يَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ف َ ش َ ر ِ ب ُ و ا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ل َ م َّ ا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَا ق َ ا ق َ ل َ ن َ ا الْيَوْمَ ب ِ ج َ ا ل ُ ت َ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ ظَنُونَ أَنَّهُمْ لَا ق ُ و َّ ه ِ ك َ م م ِ ل َِّ ئ َ ة ٍ ق َ ل ِ ي ل َ ة ٍ غَلَبَتْ ค, มมคันเมื่อต่อลูดได้นำกำลังทหารออกไปเขาได้กล่าวว่าแท้จริงหรอจะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึง่งผูดด้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นเขาไม่ใช่พวกของฉัน และผู้ใดชิมมันแพ้จริงพวกเขาก็เป็นพวกของฉันนอกจากผู้ที่วักน้ำเพียงอุ้มมือหนึ่งเท่านั้นแต่พวกเขาก็ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นนอกจากส่วนน้อยในหมู่ของเขาเท่านั้นครั้นเมื่อตอรูตและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำไปพวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราไม่มีกําลังใดๆที่จะต่อสู้กับยาลุ และไร่พลของเขาได้บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่า ก, กี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ด้วยอนุมัติของอัลลอะ์อัลลอ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลายวลลาาบรารจจอรูาาน และเมื่อพวกเขาได้ออกไปเผชิญหน้ากับยามุตและไร่คนของเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้บาลาของเราโปรดประทานความอดทนให้แก่พวกเราด้วยเถิด และโปรดให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดช่วยพวกเราให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายฟาฮ ز จมุฮฺบิอิดนิลลอฮฺ وَقَدْلَدَوْهُ ج َ ل ُ ت َ و َ ت َ ا ه ُ اللَّهُ الْمُلْكَ و َ ا ل ْ ح ِ م وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ و َ ا ل ِْ ك ْ م َ و م َ ه ُ م ِ ي และพวกเขาก็ยังความปราชัยแก่พวกนั้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และดาวูดได้ข่ายาลุตและอัลลอ์ได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาและทรงสอนเขาจากสิ่งที่พรุง และหากว่าอัลลอ์นั้นไม่ส่งป้องกันมนุษย์ซึ่งบางส่วนของพวกเขากับอีกบางส่วนแล้วไซแน่นอนแผ่นดินนี้ก็ย่อมเสื่อมเสียไปแล้วแต่ทว่าอัลลอ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลาย นั่นล่ะคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะอ่านองค์การเหล่านั้นให้เจ้าฟังด้วยความจริงและแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายซิลงั็รุสุลฟัดดัลลาบางหน่อมะลาบัต์มินฮุมมันเคลลมอัลลอฮฺวรฟับบ่งบางหน่อม درج ัน وأتينا عيسى بن مطرم البينات وأيده به روح القدس ولو شاء الله م ق ت ت ل َ الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ว่าลูช ا อ ل ลลอฮฺมักุตลู ولكن الله يفعل ما يريد บรรดาศาสนาพูดเหล่านั้นเราได้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนในหมู่เขานั้นก็มีผู้ที่อัลสตรัดด้วยและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นและเราได้หลักฐานอันชัดแจ้งแก่บุตรของอีซา บุตรของมารยัและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์และหากว่าล้อทรงประสงค์แล้วบรรดาชนหลังจากพวกเขาก็าคงไม่ข้าฟันกันหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมายัางพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกันและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหากว่าลอทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกัน แต่ทว الله ن س ن ع َ ت َ ع َ ا م َ ل َ ر َ ه ُ سَعِيرَهُ ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا أ َ ن ف ق ُ و ا م م َ ا ر ز َ ق ن ا ك م م ن ق ب ل أَنفِقُوا م ِ م ّ ا ر َ ز َ ق ن ا ك م م ن ق َ ب ل أ َ ي أ ت ي َ ي و م ل ا ب ي َ ع ف ي ه ِ و َ ل ا خ َ ل ْ و َ ل ا ش َ ف ا ع ة อุบาดาห์ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนจากวันหนึ่งจะมาซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธสถานนั้นคือพวกที่อาถรร الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض م ن ذ ا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ي ي عل َلَا عِلْمِهِ إِلَّا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ َسِعَتُرْسِيُّهُ وَحِبْضُهُمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأُوْدُهُ بِمَا مِّنْ Allah นั้นคือไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสกาละนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็น ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยที่การง่วงนอนและการนอนหลับใดๆจะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์ใครเล่าจะเป็นผู้ที่จะขอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นหน้าที่พระองค์ไดน้นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเก้าอี้ของพระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชันฟ้าและแันและการรักษาทั้งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีการบังคับใดๆในาศาสนาสลา兰แน่นอนความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจางแจ้งแล้วจากความผิด ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตบูธและศรัทธาต่อลอแล้วแน่นอนเขาได้ยึดเอาห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการแยกออกเกิดขึ้นแก่มันและอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรูอัลลอฮฺวะลีอฺลล้ีนัอจ้รารชยุหริจากผู้มินด้รับการิ่ิลันนูร والذين كفروا أولياءهم الطاووس يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah น <ت> ั <ص> ่น <في> ค <ق> ือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยนำเอาพวกเขาออกจากความมืดสู่แสงสว่าง และบรรดาผู้ปฏิเสธศรันั้นบรรดาผู้ช่วยเหลือของเขาคืออักต่อูดโดยที่พวกมันนั้นจะ น, นำพวกเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกอา ล, ลลดี ج َّ ئ إ ِ ب ْ ر ا ه ي م َ فِي ر َ ب ّ ه ِ أَنْ ت َ ا ه ُ ا ل ل ه ُ ا ل م ُ ل ك إ ذ قَالَ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م ُ ر َ ب ي ّ ا ل ذ ي ي ُ ح ِ ي و َ ي م ي ت قَالَ أ َ ن ا أ ُ ص ي و َ أ م ي ت ق ا ل َ إ ِ ب ْ ر ا ه ِ ي م ُ ف َ إ ن َّ ا ل ل َّ ه ي َ أ ْ ت ي ب ِ ا ل ش َّ م س مِنَ ا ل م َ ش ر ِ ق ِ ف َ أ ت ِ ي بِهَا مِنَ ا ل م ن َّْ ر ب َ แ uh มมโตโ่อิดต้แห่ไม่รู้อง อ, งะ อ, อ, ง อ, องจอลละไปไหนแก่รู้จะไปไหนไม่าารู้ล า, าฉะนนัหน คือผู้ที่ส่งให้เป็นและส่งให้ตายได้วเขากล่าวว่าถ้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบราฮิมกล่าวว่าที่จริงอลรนั้นทรงนําดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออกและจงนํามันมาทานทิศตะวันตกเถิดแล้วผู้ปฏิเสธสถานั้นก็ได้รับความงมและอละรนั้นจะไม่ทรงประทานแนวทางถูกต้องแก่ผู้อาจรำทั้งหลาย أو كالذي مر على ق ر ي ة وهي خاوية على عروشها قال أما يحييها به ا ل ل ه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث ت قال لبث ت يوما أو بعض يوم قال بل ّ ب ت ماء ع ي م فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم ن س و ه ا لحما ف แล้ว เ, เมื่อทบเยลล์เขากล่าวอาลัมี่านันี่มันะัทัลมาบนหลัลลาของมันเขาได้กลาวว่อะะัอัลลัฮะัลัลมัฮะัลัลีัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลัฮะัลัลลาตายไปเป็นเวลัลปี ภายหลังพระองค์ทรงทําให้เขาฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงถามว่าเจ้าพนักอยู่นานเท่าใดเขาตอบว่าฉันพักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่านีไ่ได้เจ้าพักอยู่นานถึงร้อยปีเจ้าชงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและชงมองดูลาของเจ้าสิ เพื่อเราจะให้เจ้านั้นเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมบันและจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นดูว่าเรากำลังยกมันไว้หน้าที่ของมันและประกอบกันขึ้นแล้วมีเนื้อหุ้มห่อมันอย่างไรครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจกักษ์เหเท่าเขาก็กล่าวว่าฉันทราบแล้วแท้จริงอานั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي َ كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى و َ ل َ كِذَلِيْقُ م َ ئ ِ ن َ نَقْلِبِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُطِحُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ ل َ ل َ ا كُلَّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا และจงนัาลึกถึงขณะที่ิบรอยีนกล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉันโปรดได้ส่งให้ฉันได้เห็นเถิดว่าพระองค์จะส่งให้มนดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไร พระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่เชื่อดอกทีบริเวกล่าวว่าหาไม่ได้แต่ถ้าว่าเพื่อวัวใจของฉันจะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมาสี่ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้ขุนแก่เจ้าและสับมันเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางส่วนหนึ่งไว้บนภูเขาทุกลูก แล้วเจ้าจงเรียกมันมันก็จะมาอย่างเจ้าโดยเร่งรีบและถึงทราบเกิดว่าที่จริงแล้วนั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายักษ์มรุลลดีนยุนฟิคูณอำวาล هم ฟิสบีฟิลล้าฮิกะมัฒริฮับบ้ อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางขอลนะั้น ดังอุกประยเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมีจำนวนร้อยเมล็ดและอัลลอ์นั้นทรงเพิ่มภูนแก่ผู้ที่โรงทรงประสงค์และอัลลอ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ <تصفيق> الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أ د ا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ب ราผู้บริจาทรของเขาไปในทางของ แล้วพวกเขาไม่ได้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปซึ่งการล้าเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขานะักพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่เขาพวกเขา ก็จะไม่เสียจใจคำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่ก่อความเดือดร้อนติดตามมาและอัลลอฮนั้นเป็นผู้สรงมั่งคัง่ง ف س و ن َ ق ْ ن َ ي َ م ُ و ج ً ا م ن أ َ ا ل ه و ََ ا ي َ ع م َ ل ُ و م َِ ا ل ٍَْ ر م ِ ن ه ُ م ْ وَمَا ي َ ك ْ م َ ل ُ ن م ِْ م َ ل ي ْ م ن ْ ه وَمَا ي ََْ ل ذ و ن َ م ن َ م َ ل ٍَ ي ْ ر ٌ م ِ ن ْ ه ُ م وَمَا ي َ م ُ و ن َ مِنْ َ ل َ ي م ِ ن ه و ََ ا ي ْ م َ ل ُ و مِنْ َ ل ٍ خ َ ر ِْْ م ا ْ แมัลลุนุ่มแค่เหมือนศัฟวานั่งอยู่ทาบ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقضرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين าบุษฐาถมหายจงอย่าให้บรรดาทานของพวกของเจ้าไร้ผลด้วยการลำเลื้ และก่อความเดือดร้อนเช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดผู้อื่นแล้วเขาก็ไม่ศรัทธาต่อโลกและวันพรุ่งนดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปไมยหินเกลีย้ยนที่มีฝุ่นจำแล้วมีฝนหนักตกลงมาประสบแก่มันแล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลีย่ยนพวกเขาไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสี่ใดจากที่พวกเขาขนขวายไว้แ ล, แล้วระอนนั้นไม่ทรง ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل ف آ ت ت أكلها ضيع ي ل ف آ ت ت أكلها ضيع َ ي ِ فإن لم يصبها وابل فقلا والله بما تعملون بصير และอุปมารบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความพึงพอใจจากกลอและเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นอุปมาสวนแห่งหนึ่งณที่เนินสูงซึ่งมีฝนตกหนักลงมาประสบแกมันแล้วก็นำมาซึ่งฝนของมันเป็นสองเท่าแต่ถ้าไม่ได้มีฝนหนักตกลงมาประสบแกมัน أيادو أ د ُ ك م أن تكون له جنة من نخيل و َ أ َ ع م ا ٍ تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. وأصابهم كبر و ل ه ذرية ضعفاء و ل ه ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار تحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่จะมีสวนอินทพลังและองังลุ่นซึ่งเบื้องล่างของมันในสวนนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านผลไม้ในสวนทั้งหมดเป็นของเขาและความชราภาพได้ประสบแก่เขาและเขาก็ยังมีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นซึ่งลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันก็เผาหมอดไหมไปในทํานองนั้นแหละอัลลอฮฺจึงทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อพวกเจ้าจะได้ไขขุดยาอเยาะเหลอดีนอามลูอันฟิกมิน ب َ أ ْ ت مَا كَسَبْتُمْ و َ م ِ ن مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَمُ ا ل خ َ ب ِ ي ث َ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم ب ِ آ خ ح ِ ه ِ إلَّا أَن ت ُ م ْ ض ُ و ا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غ َ ن ِ ي م ٌ حَمِيدٌ บัณฑาพุทธสถานทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้สแสวงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ออกมาจากบินสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่ามุ่งเอาในสิ่งที่ไม่ดีมาบริจาคทั้งทั้งที่พวกเจ้าเองก็ไม่เป็นผู้ที่รับมันไว้นอกจากว่า พวกเจ้าจะหลับตารับมันไว้เท่านั้นและคุณซ่าเผิดว่าแพ้จินอัลล่อนั้นเป็นผู้ส่งมั่งขัง่งผู้ส่งได้รับการสังๆอัลชัยตอนยาอิดคุมอลฟัตรว่าย أ มรูคุมบิลฟัชชา Ahu ahu ใช่ตอนนั้นมันจะกูพวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอลัลลอ์นั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษ และความกรุณาจากพระองค์และสิ่งอัลอนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้โยจิน حكمةَ ميَّشَ وَمِنْ يُتَلْحِكَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَا يَذْكَرُ إِلَّا أ ُ ل ُ الْأَلْبَان จะทรงประธานความรู้ให้แก่ผู้ที่พรงทรงประสงค์และผู้ใดที่รับความรู้แน่นอนเขาได้รับความเดี่ยนมากมายและไม่มีใครจะลมึกได้นอกจากบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นว่ามอก็จุมมินะครัิงเอนรบจุมินนตรแต่อินนัลลอให้อัลลมุง และสิ่งที่บริจาคใดก็ดีที่พวกเจ้าบริจาคไปหรือสิ่งที่บ่นบานใดก็ดีที่พวกเจ้าได้บ่นบานไว้นั้นแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรู้มันดีและสำหรับผู้ที่อาจ ร, รมทั้งหลายนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ อิ่น ب د و الصدقان فنِعِمَهِ وإن ت خ ُ و ه ا و ت ؤ ت ُ ه ا ا ل ف ق ر ا ء ف ه و خ ي ر ل ك م و ي ك ف ر ل ك م م ن س َ ي ّ ئ ا ت ك م و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر หาพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทางมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ และถ้าหาพวกเจ้าปกปิดมันเอาไว้และมันแก่บรรดาผู้ยากจนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าและพระองค์จะส่งลบล้างออกจากพวกเจ้าซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าแระร่อนั้นทรงรอบรู้เป็นอย่างดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําาไลลลลเอยกกดดมวินนีชา ว่าทุ ف ِฟิก ا, أ م ม ن ْ خير ิ่นฟลิอันฟุสิคุมว่าทุ่มฟิกุ่นอิลลัติกราอะวิห์ฮิลลาห์ว่าทุ ف มฟิก ا م ม ن ْ خير ิ่นวัฟเอَุคุมว่าทุ่มลาตุกลมูนหาเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าไหม ในการแนะนำพวกเขาให้เกิดความศรัทธาแต่ท้าว่าอัลลอฮ์ตัางหาที่จะแนะนำใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งดีๆที่พวกเจ้าได้บริจาค ก, ก็ย่อมได้แก่ตัวของพวกเจ้าเองและพวกเจ้าจะไม่บริจาคสิ่งใดไปนอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้นและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไป مَنْ ن غَوَّى الْجَاهِلُ أ َ ظ ْ م ف ي سبيل ا ء ي ع و ن َ ا ل ي س ت ي ع ْ ف ا ف ف เชาริฟุฮมบิสีมาฮมลายสะลูนนนสอิลฮาฟาวามาทุนฟิกูมินค่ายรินฟะินนัลลอาฮบิฮีอรีมการให้บริชาตทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจํากัดตัวให้อยู่ในหันทางของละ่ะโดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปหนึ่แดนอือ่นๆเพื่อประกอบอาชีพได้ ผู้ที่ไม่รู้คิดว่าพวกเขาเป็นผู้มั่งมีอันเนื่องจากความสงมบสงเอียมเจียมตัวโดยที่เจ้าจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยเคลื่อนหมายของพวกเขาโดยพวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเศาวซีและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าได้บริจาคไปนั้นแท้จริงอลัลลอสฺทรงรู้ดีในสิ่งนั้น บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยปกปิดและเปิดเผย พวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาณพระผู้อวยบานของพวกเขาโดยไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจัู้ที่ะกินระอบาลยะูื่นขึนมาานั้นทะมุนดียวกัดตูุ้ี่ถูกซาตินล่อลวงากสิ่นั้นนั่นก็มกาลูอิน م َ البيع مثل الرذّاب و أ ح ل ّ الله البيع وحرّم َ ا ل ر ِّ ا ب فما جاءه ُ م َ و ْ ع َ ة من ِ ربه ِ فانتها َ فله ََُ ما َ سلف َ فلموا ما سلف و أ ن ه ُ إلى الله บรรดาผู้กินดอกเบี้ยนั้นพวกเขาจะไม่ทรงตัวขึ้นนอกจากจะทรงตัวขึ้นเช่นเดียวกับผู้ที่ไชตอนทำลายนั่นก็เพราะว่าพวกเขากล่าวว่าที่จริงการค้าขายก็เหมือนกับการเอาดอกเบี้ยนั่นเอง และอลัลลอฮ์นั้นทรงอนุญาตการค้าขายและทรงห้ามการเอาดอกเบีย้ยดังนั้นผู้ใดที่การตักเตือนจากพระผู้พระบารของเขาได้มาอย่างเขาแล้วเขาก็เลิกสิ่งที่เป็นดอกเบีย้ยที่ล่วงมาแล้วเขาก็เป็นสิทธิของเขาและเรื่องของเขานั้นก็ย่อมกลับไปสู่อลัลลอฮ์และผู้ใดกลับไปกระทำอีกชนเหล่านี้แหละคือชาวนารก โดยพี่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาบบ ات, อลอัลลอฮฺจะทรงให้ดอกเบี้ยลดน้อยลงและหมดความจำเป็แต่จะทรงให้บรรดาเป็นทานพบ่มพูนขึ้นและอัลลอฮนั้นไม่ทรงชอบผู้เนรคุณผู้กระทำบา ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและดารงละหมาดและจ่ายจกานั้น พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนณนะพระผู้อภิบาลของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพิ่งยังเกรงละล้อเธอ และจงงดบอกเบี้ยที่เหลืออยู่เสียหากพวกเจ้าเป็นผูน้ศรัทธาแต่อินลัมจะฟาดฟันเราด้วยความรุนแรงจากอัลลอฮฺและลามูนและถ้าพวกเจ้าไม่ได้ปฏิบัต <S <S ิตามก็พึงรับรู้ไว้เถิดซึ่งสงครามจากอัลลอฮ และศาสนาทูตของพระงและหากพวกเจ้าสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วสำหรับพวกเจ้าพอได้ต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าคือโดยที่พวกเจ้าจะไม่อาธรรมและไม่ถูกอาธาารนนร่ามา ว่ากเขาลูกนี่เป็นผู้ยากไร้ก็จงให้มีการรอคอยจนกว่าจะถึงคราวสดุกและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าอือ และพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเอรเลาะในวันนั้นแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้ขวนขวายไว ت <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا كدايتم بدين إ ذ ى أ ج ل مسمم فكتبه و َ ل ي ك ت ب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله ف َ ل ْ ي َ ك ْ ت ُ ب و َ ل ْ ي ُ م ْ ل ِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ و َ ل ْ ي َ ت َ ق ِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أ َ ي ُْ م ِ ل ل َّ ه ف َ ل ْ ي ُ م ْ ل ِ ا ل ْ و َ ل ِ ي ه ُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا ش َ ه ِ ي د ي ا مِنْ ر ِّ ج َ ا ل ِ ك ُ م ْ فإن لم يكن ر ج ل ِ فرجل و ا م ر أ َ ا ن من ت ض و ن من الشهداء أ ت ض ل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا ي أ ب َ الشهداء إذا ماتوا ولا ت س أ م و ا أن تكتبو صغيرا أو كبيرا إلى أ ج ل ه ذلك م أ ق س َ ط عند الله وأقوى للشهادة وأقوى للشهادة وأدمى ألا ترتابوا إلا أن تكون ت ج ا ر ة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا كتبوها وعشدو ه ا إذا تبايعتم ولا يضار ك ا ت ب ولا شهيد وإِن تَفْعَلُ و ا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ و اللَّهَ ا وَاتَّقُ و اللَّهَ ا وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ เมื่อพวกเจ้าต่างมีหนี้สินกันจะด้วยหนี้สินใดก็ตามจนถึงกำหนดเวลาชายหนี้ที่ระบุไว้ก็ชงบันทึกหนี้สินนั้นไว้ และผู้เขียนก็จงบันทึกระหว่างพวกเจ้าโดยเที่ยงถรรและผู้เขียนคนหนึ่งคนใดจงอยาปฏิเสธที่จะบันทึกตามที่อรรถได้ส่งสอนเขาดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดและจงให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาบอกให้บันทึกและเขาจงยำเกรงอรรถพระผู้วิบาลของเขาและจงอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้น และถ้าผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาเป็นคนงูหรือเป็นผู้อ่อนแอหรือไม่สามารถที่จะบอกให้บันทึกได้ก็จงให้ผู้ปกครองของเขาบอกด้วยความเพีย้ยนธและพวกเจ้าจงมีพยานขึ้นสองคนจากผู้ชายในหมู่พวกเจ้าแต่ถ้ามีปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชายก็ให้มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงสองคนจากผู้ที่พวกเจ้าภูมิใจในหมู่พยานทั้งหลาย เพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นหลงไปคนหนึ่งในสองคนนั้นจะได้เตือนอีกคนหนึ่งได้และบรรดาพยานนั้นก็จงอย่าได้ปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องและพวกเขาจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกนี่สิ่งนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันนั่นหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่าณที่อโลและเที่ยตรงยิ่งกว่า สำหรับเป็นหลักฐานยืนยันและเป็นสิ่งใกล้เคียงยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสัยนอกจากว่ามันเป็นสินค้าที่ปรากฏต่อหน้าซึ่งพวกเจ้าซื้อขายแลกเปลี่ยนมันในระหว่างพวกเจ้าก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไปบันทึกมันและพวกเจ้าจงให้มีพยานเมื่อพวกเจ้าซื้อขายกันและผู้เขียนก็จงอยา ก, ก่อความร้อนรวมทั้งผู้เป็นพยานด้วย และหากว่าพวกเจ้ากระทำแน่นอนมันก็เป็นการฝ่าฝืนด้วยสาเหตุจากพวกเจ้าและพวกเจ้าจงยำเครงอัลล อ, อ์เถิดและอัลลอ์นั้นจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่พวกเจ้าเส ม, มอและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง فإن أمن بعضك بعضاً فليؤدِّ ا ل ذ ي ُ من أمانته و َ ل ي ت ق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن ي َ ك ْ ت ُ م ه َ ا فَإِنَّهُ آ ث ِ م قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. และไม่พบผู้เขียนคนใดเลยก็มีสิ่งคำประกันยึดถือเอาไว้แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคนผู้จะรับความไว้วางใจคือลูกนี้ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใจของเขาเสียแล้วเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้ิบาลของเขาเถิดและพวกเจ้าจงอย่าปกปิดพยานหลักฐานและถ้าผู้ใดปกปิดมันไว้แน่นอนหัวใจของเขาก็มีบา لله ما في السماوات وما في الأرض و إ ِ تبتدوا ما في أنفسكم أو تخوفوا حاسبكم به الله ف ي غ و ف ر لمن يشاء ويعدل مي يشاء อัลลอฮ์นอุกิ่งลลั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และถ้าหาพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าหรือปกปิดมันเอาไว้ก็ตามอัลลอฮ์จะทรงนำมันมาสอบสวนแก่พวกเจ้า แล้วพระอง์จะสรงอภัยโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอามานอัลกุสูลุมอันซิลอิยฮิมุลฎบิฮิวัลมุอัมินนคุลลออานบิลลอฮิวมะลาอิกต์ฮิวกุตบิฮิวัรุสุลิ ลาบนุสรข์ بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا إفرانك ربنا وإليك المصير س ا ك ن าทุนได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เขาจากพระผู้บากของเขาและผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ศรัทธาด้วยทุกคนศรัทธาต่อลอและมาลายกาของโพร และบรรดาคำภีของพรุองและบรรดาศาสนาทูตของพรุองโดยพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกแยะระหว่างท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดาศาสนาทูตของพรุองและพวกเขาได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วและได้ปฏิบัติตามแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนาโอพระวบานของพวกเราและยังพระงเท่านั้นที่พวกเราจะกลับไป لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا ت آ خ ذ ن ا إن سينا أو أخطأنا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 ั a l ลอ h จะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้นชีวิตนั้นจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีในสิ่งที่เขาขนขวายไว้และชีวิตนั้นจะรับการลงโทษในสิ่งชั่วที่เขาขนขวายไว้ โอ้พระผู้วิบาลของเราโปรดเยาวโทษแกเราเลยหากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไปโอ้พระผู้วิบานของเราโปรดจะได้บรรทุกภาระหนักใดๆแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบรรทุกมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วโอ้พระผู้วบาลของพวกเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่พวกเราไม่มีกําลังที่จะแบกมันได้ และทรงได้โปรดอภัยแก่พวกเราและยกโทษให้แก่พวกเราและเมตตาต่อพวกเราด้วยเถิดพระองค์เท่านั้นคือผู้ปกครองของพวกเราดังนั้นโปรดได้ช่วยเหลือพวกเราให้ได้รับชัยชนะเหนือบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถ